บทที่ห้าสิบเจ็ดในบรรดากลุ่มเจ้านายดารินเป็นคนแรกที่ตะอีกตามเคยที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่หัวรุ่งขณะนั้นหมอกยังไม่ทันจางพอจะมองเห็นอะไรได้ลางๆเท่านั้นแต่บรรดาพวกลูกหาบได้ลุกขึ้นก่อไฟหุงหาแล้วหลอนตื่นเพราะกลิ่นควันไฟที่โชยมากระทบจมูกยิงสาวุดลุกขึ้นทันทีดวงจิตที่มีกังวลอยู่ตลอดเวลาของหลอนทาให้ไม่อาจที่จะทวงเวลาหรือนอนพักต่อไปได้ ทันทีที่รู้สึกตัวลืมตาและเห็นว่ารุ่งแล้วสมองและร่างกายก็พร้อมในฉับพลันโดยอัตโนมัติพี่ชายทั้งสองกับเพื่อนยังหลับสนิทกันอยู่มองไม่เห็นเจ้าด้วนอยู่ภายในบริเวณแคมป์ที่พักนอนใชแล้วไม่ทราบมันหายไปไหนเห็นแต่หนานอินเดินตรงเข้ามาพร้อมกับร้องทักเบาๆว่าอ้อนายหญิงตื่นแล้วหลอนใช้ฝ่ามือทั้งสองแตะกดที่เปลือกตารู้สึกว่าตนเองพักผ่อนน้อยและนอนไม่เต็มอิ่มนะแต่ก็พอแล้วสําหรับภาวะเช่นนี้ พอเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งหล่อนก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญวันใหม่ทันทีเรียบร้อยดีใช่ไหมลุงอินไม่มีอะไรนายหญิงพอเรานอนกันครั้งหลังสุดแล้วทุกอย่างสงบดีไม่มีอะไรเฉียดใกล้เข้ามาอีกอะไรที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ขยับเขยื่อนพร้อมกับบอกครูพานเท้าพยักหน้าไปยังซากทางที่ถูกยิงฟุบประเนระนาอยู่รอบด้านทั่วไปมองดูเหมือนจอมปลวกใหญ่ละเกะละกะไปหมด ในเวลารุ่งอรุณเช่นนี้ทําให้มองเห็นชัดว่าเหตุการณ์หลายกาที่ผ่านมาเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนหาใช่ความฝันไปไม่แม้แต่ซ่าของไอ้ผีดิบตัวที่เชดิดทายิงข้อเท้าหกล้มลงยิงข้อเท้าหักล้มลงและหลอนเป็นคนสั่งให้เจ้าล่วนทําลายเสียโดยการฉีกกวาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซ่าของมันก็ยังกลายเป็นชิ้นส่วนกองอยู่ให้เห็นตั้งตาแหน่งเดิมดารินกว่าตามองอย่างพินิจไปรอบๆ ทบทวนความจําของราตรีสยองขนที่ผ่านมาหล่อนจําได้ทุกเหตุการณ์โดยไม่ตกหล่นหรือสับสนคนของเราทุกคนอยู่ครบถ้วนแน่นอนนับดูแล้วยังครบทุกคนตื่นหมดแล้วกําลังหุงหาจัดเตรียมตัวอยู่มีไอ้ขยินคนเดียวเท่านั้นพิเศษหน่อยยังนอนคลุมโปองอยู่มันทําท่าเหมือนจะเป็นพวกเจ้านายงั้นแหละลาสกุลสาวยิ้มออมองมันิดหนึ่งนี่ยังเช้ามากช่างมันก่อนเถอะ แล้วก็นายใหญ่นายชดหรือนายทาหารนี่ลุงอินก็อย่าเพิ่งปลุกเลยปล่อยให้เขานอนกันต่อไปก่อนอื่นก่อนอีกสักชั่วโมงทุกคนหมดแรงอ่อนเพลียกันทั้งนั้นกล่าวจบหล่อนก็เดินออกจากที่พักนอนสำรวจไปรอบๆแคมป์พักนานอินเดินตามมาด้วยถามว่าแล้วนายหญิงล่ะฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกพอลืมตามันก็ทนนอนต่อไปไม่ไหวว่า อ, อกหัวใจมันเหมือนมีไฟเข้าไปซุ้มอยู่ตลอดเวลา ครูพรานพูดเท่ามองดูหล่อนยังเข้าใจและเห็นใจไม่กล่าวเช่นไรอีกนอกจากจะเดินตามหลังหล่อนไปเงียบๆดารินเดินเยี่ยมตรวจไปยังกลุ่มพวกลูกฮักนับจำนวนและทักทายไปทั่วทุกคนสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ทุกคนผ่านพบพะจนมาร่วมกันทั้งหมดยิ้มรับนายหญิงไม่มีใครแสดงอาการหวาดวันพรั่นพึงหรือท้อทอถอยคิดที่จะปรีกตัวกลับเลยทั้งสิน้นนายหญิงไม่ต้องห่วงพวกเราสาบานแล้วว่า ถึงไหนถึงกันเป็นอะไรเป็นกันในการไปตามนายละพินครั้งนี้ในชวนลูกหาหัวหน้าลูกหาตอบแทนให้แก่บรรดาลูกหามันเป็นลูกบ้านน้องน้ำแห้งทั้งหลายขอให้ทุกคนจาไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายหญิงพร้อมที่จะตายก่อนพวกเราทุกคนเสมอน้ำเสียงของหล่อนเด็ดเดี่ยวมั่นคงและชัดเจนยิ่งแลหันมาทางหนานอินลุงเห็นเจ้าด้วนไหมมันไปไหนแล้วนายหญิงอย่ามัวกังวล ห่วงกับมันเหมือนคนเลยไอ้ด้วนมันช้างปลาบุญบารมีหรืออำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวของนายหญิงแท้ๆที่ทําให้มันรู้ภาษาเข้าใจและจงรักภักดีของนายหญิงคนเดียวเท่านั้นมันก็คงจะไปหากินหรือท่องเที่ยวไปตามเรื่องของมันแต่คงไม่ไปห่างจากนายหญิงนักกรอกไม่ต้องไปคอยเรียกคอยหามันอยู่ให้เสียเวลาถ้าเราออกเดินทางมันก็จะตามไปด้วยอาจตามหลังอาจเดินไปข้างหน้าอาจให้เห็นตัวหรืออาจไม่เห็นตัวได้ทั้งสิ้นพอให้นายหญิงสบายใจได้ นายอินรู้แน่ว่าไอ้ด้วนมันไม่ทิ้งนายหญิงหรอกคงตามไปทุกระยะเส้นทางนั่นแหละแต่ที่จะให้เห็นมันป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแล้อเดินทางไปพร้อมๆกับเราเหมือนช้างเลี้ยงน่ะคงไม่มีทางหรอกหลอนเม้มปากพยักหน้าช้าๆ ย, э oh ย่างเห็นด้วยอืมฉันก็ลืมไปเสียอย่างสนิทว่ามันเป็นช้างป่าช้างป่าตัวร้ายเสียด้วยมันเคยกลัวใครที่ไหนถ้าจะกลัวก็กลัวนายละพินคนเดียวเท่านั้นและกับนายละพินมันก็ไม่เคยยอมเข้าใกล้ ผิดกับนายหญิงมากที่มันยอมเชื่องเข้ามาใกล้ชิดยอมสวามีพักรับใช้อย่างแสนรู้ทุกอย่างเกิดมาในป่าเจ็ดสิบกว่าปีเข้ามาแล้วนี่นานอินยังไม่เคยพบเห็นช้างป่าคบกับคนได้อย่างนายหญิงคบกับไอ้ด้วนมันเป็นเรื่องแปลกลุงพอจะคํานวณอายุมันได้ไม่สำหรับเจ้าด้วนของฉันตัวนี้นานอินหัวรอดเบาๆในลำคอกาลังชักันเต็มที่ทีเดียวและนายหญิงไม่แก่ และไม่ใช่ลูกช้างนั้นอินกะว่าในราวสามสิบาถึงสปีเป็นอย่างมากอายุน้อยกว่านี้จะไม่ดุร้ายนักและยังไม่กล้าแตกโขงหากินเดียวอายุมากกว่านี้ก็เป็นช้างที่หมดความไวเสียแล้วไอเจ้านี่กำลังว่องไวคล่องตัวเต็มที่ก่อนนอนหลับไปเมื่อใกล้ใลุ่งุงฉันก็ยังเห็นมันอยู่ในปางพักตามที่ฉันสั่งไวพอลุงสว่างเตือนขึ้นมาอีกทีหายไปเสียแล้วไม่รู้แอบไปตอนไหน ก็คงจะเลี่ยงไปตอนที่พวกเราทุกคนหลับหมดแล้วใกล้ๆลุ่งนั่นแหละงานอินถามไอ้พวกนี้ดูแล้วไม่มีใครรู้สักคนว่าไอ้ด้วนหายไปไหนตอนไหนเพราะก่อนจะหลับก็เห็นมันป้วนเปี้ยนอยู่ที่ปางพักตรงปลายเท้าของของที่นอนพวกเจ้านายทั้งหลายดาลินเดินตรวจบริเวณจนรอบและมาพบขยินนอนขดเอากระสอบป่านสองใบคลุมหัวคลุมตัวอยู่ใกล้ๆซากช้างใหญ่ที่ล้มทับโคนก้อกหินเกือบจะฝังหล่อนเสีย ทั้งเป็นเมื่อคืนตอนประจันบานกันปืนลูกซองปัม๊มแอคชัน่นอาวุธคู่มือที่เคยมอบไว้ให้ตั้งแต่ครั้งกระโน้นวางอยู่ใกล้ๆตัวในลักษณะที่จะหยิบช่วยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีนานอินยืนมองแล้วโคง้งหัวจุปากจักจัก๊กขยับจะเวี่ยงเท้าป้าเป็นการปลุกปฏิก้ของมันแต่ดารินเหนียวไหลไว้อย่าเพิ่งไปปลุกมันก่อนเลยปล่อยให้มันนอนให้เต็มที่ทะลุงความจริงไอ้นี่มันนอนไวแต่สันดานขี้เกียจ มันคงนึกว่าวันนี้เราคงจะออกเดินทางสายเลยนอนสบายปล่อยให้พวกลูกหาบทํางานไม่ลุกขึ้นช่วยมั่งเลยนายหญิงกนันอินมายืนค้าหัวมันอยู่นี่นะเห็นเนึกว่ามันจะไม่รู้สึกตัวแต่มันแกล้งทําเป็นนอนหลับเฉยสันดาลรู้มากเอาเปรียบขี้โกงมันมาจงรักภักดีกับพวกนายหญิงได้จนถึงขนาดมาพบที่หนองน้ําแห้งในวันที่เราจะออกเดินทางก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกมากพอๆกับไอ้ด้วนนั่นแหละดารินหัวเราะเบาๆมองดูขยินผู้ยังนอนคุดคู่กลนครอกอยู่ด้วย สายตาเอ็นดูรักใคร น, นั้นอินไม่ได้ร่วมเดินผจนภัยกับคณะของหล่อนมาตั้งแต่ต้นจึงไม่รู้สึกซึ่งนักว่าเหตุใดเจ้านักเลงโตแห่งลมช้างจึงมายอมร่วมเป็นร่วมตายชนิดยอมถวายหัวให้ได้สำหรับคณะของหล่อนสาเหตุมันก็มาจากความสัมผัสอันลึกซึ้งในอดีตนั่นเองยินไม่ใช่ประเภทลูกหักที่จ้างวานขอร้องให้มาด้วยกันแต่มันมุ่งเข้ามาพบคณะเดินทางของหล่อนด้วยสัญชาตญาณพิเศษซึ่งอ้างอย่างเดียว กับนานอินนั่นแหละคือบอกว่าแง่ซ้ายไปเข้าฟันบอกให้มุ่งตรงมายังหนองน้ําแห้งทําให้มันอยู่ไม่ติดต้องบากบั่นมาโดยเระยะห่างจากนานอินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครั้นเมารู้ว่าคณะในจ้างจะไปตามพลานใหญ่ผู้ออกเดินทางล่วงหน้าไปแล้วยังไม่รู้อนาคตก็ไม่ต้องชักชวนอะไรเลยขยินอาสาขอร่วมติดตามด้วยอย่างเต็มใจยิ่งฐานะการมาของขยินในครั้งนี้จึงอยู่ในฐานะเดียวกับนานอินไปตามมาด้วยความสมัครใจ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 นอกเหนือจากละพินแล้วคนที่จะเคกะโลกมันได้ก็มีเพียงนานอินผู้ซึ่งพบรู้จักพบเห็นมามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของมันและบุญคําผู้คนเม็ดเด็ดพลายเนื้อขวาเท่านั้นส่วนกลุ่มของฝ่ายหลอนอันประกอบด้วยเชิด้าชายยานและตัวหลอนเองนั้นเจ้านี้ให้ความรักนับถือเยี่ยงเจ้านายอันเป็นบารมีที่มาจากละพินผู้มิทธที่มันเคารพอยู่ก่อนแล้วนั่นเองถึงต่อให้พรานชดหรือพี่ชายกลางอนุชา วราฤทธิเองก็เถอะในครั้งที่ผ่านเข้าไปในหลมช้างก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่นรกดําในคราวนั้นถ้าไม่ใช่เพราะมีนานอินที่รู้จักมักคุ้นกับมันมาตั้งแต่สมัยพ่อของมันก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าพรานชดในคราวนั้นจะผ่านหมู่บ้านหลมช้างไปได้เลยโดยไม่ถูกขยินหาเรื่องจับโขกหนังหัวเล่นเสียเพราะความโหดไล้ทารุนและสันดานเกกะอันธพาลของมันหรือเปล่าแวบบหนึ่งของการหวนคิดคำนึงไปถึงความหลังครั้งเก่า ดารินมีความรู้สึกที่ทราบซึ่งประทับใจยิ่งถูกแล้วสำหรับตัวหล่อนเองจนตายหล่อนก็ไม่สามารถจะลืมบุคคลเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขยินเกิดเสยจันร์บุญคำหรือต่อให้เจ้าสางป่ารวมทั้งแง่้ายนอกเหนือไปจากฝ่ายพวกหล่อนกันเองอันประกอบด้วยพี่ชายใหญ่เชิฐถาชัยยันและมาเรียทวาบัตนิคนที่ถือว่าเป็นคนของรพินหลงเหลืออยู่ให้หลอนเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นคือ ขยินผู้นี้บางทีมันอาจไม่สบายก็ได้นะลุงอินเพราะเมื่อคืนนี้ขยินตกใจมากซ้ําตอนที่ไอ้ผีดิบหลอนเข้ามาเล่นงานเราก่อนใช้ช้างบุกขยินยังถูกมนสะกดหลอนเอ่ยขึ้นเบาๆซึดตัวลงคุกเขา่าขยับจะเลิกกับซอปานที่คุมจิระเจ้นักเกรงโตหลมช้างขึ้นแต่พรานครูคูเท้าคว้ามือนายหญิงไว้สันหัวอย่าไปห่วงมันถึงขนาดนั้นเลยนายหญิงไอเวดนี่ควายป๋า ย, ยังไงอย่างนั้น มันไม่ผิวบางกระหม่อมอ่อนนักหรอกถ้านายหญิงอยากรู้ว่ามันหลับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวหนานอินทดลองให้ดูเองว่าแล้วแกก็ชุดข้อมือดาลินให้ขยับถอยห่างออกมาเดี๋ยวซ้ายแหลกขวาเมันจะหาอะไรสักอย่างแล้วก้าววูบเข้าไปหลังโขดหินไม่ถึงอึดใจเดี๋ยวโผล่กลับออกมาในมือถืออะไรที่กำลังดิน้นพันเป็นเกลียวตีนยุบยับไปหมดดาลินมองเห็นเ้าก็แทบปะ ง, งับไปด้วยความขยะบแยงสิ่งน้ำดันจุดดำจนเขียวเตียนนับไม่ถ้วนตะกายไหวพิ้วไปหมด มันคืตะขาบตัวขนาดเกือบเท่าหัวแม่มือยาวร่วมคืบน้ำนานอินจับมาในลักษณะใช้นิ้วขยุ่มก้านคอไว้ทําให้มันไม่สามารถแด้งมาขบกัดได้นอกจากดิ้นบิดตัวอยู่ในอุ้งมือของปรานเท่าราสคุณสาวขยับจะร้องอะไรออกมาแต่นารอินเอามืออีกข้างนึงจะลิมฟีปากไว้เดินมาใกล้ล่างที่นอนอยู่ของขยินห่างแค่วาเดี็กแกก็ปลอตะขาบตันั้นลงกับพื้นมันก็คลานปราดไปหาขายินผู้กําลังนอนขุมโปงอยู่ในทันทีทนิกต้องการจะแทรกตัวหลบ วันนั้นเองเจ้านักเรียนตัวหล่อมช้างก็เพนตะกายพรวดขึ้นมาทั้งตัวกระโดดโยงหลบตะขาบตอนนั้นออกไปยังบูดวิทพร้อมกับสะบดเร็วดรือเอามาไม่เอามาเป็นภาษากะเหลี่ยงแล้วหันมายิงฟันยิ้มยงแห้งกับนายหญิงเห็นอย่างนายหญิงนั้นอินบอกหน้าตาเฉยกับดาเริขนขณะตะขาบเดินมันยังได้ยินเราสองคนเดินมายืนค้ำหัวพูดกันอยู่มันไม่ได้ยินมอย่างที่ไหนไอเว น, นี่เดี๋ยวพัดเตะเสียแต่เช้านี่เลยประโยคหลังแกพูดกับกะเหลี่ยงยับเท้า กระโดดโยงพลัสมีหน้าแท้งเหี่ยวๆแต่แข็งของนานอินออกไปทําหน้ายู่ยี่นานินเอามือชี้หน้ามึงไอ้ขยินเสือกนอนเอาเปรียบคนอื่นเขาทุกคนไ ใ, ใครเขาตื่นขึ้นมาช่วยกันหุงหาแล้วมึงยังนอนทําเป็นหลับสบายเดี๋ยวไม่ให้แดกข้าวเจ้าเท่านั้นไปเสือกลุกขึ้นมาทีหลังมึงนั่นแหละหิ้วกระป๋องไปตักน้ําที่ตักน้ําที่พุข้างล่างนนท์มาเตรียมไว้ให้เจ้านายล้างหน้าขยินดิดขี้เกียจ อาปากกว้างหาวเสียงดังลั่นพหนานอินตวาดซ้ำไปอีกครั้งมันก็เดินไปที่กองสัมภาระกลางอย่างดีฟ้าได้ถังพลาสติกใบเครื่อนเดินดุมๆรับหมู่โคดหินและซากช้างที่ล้มอยู่เกะกะไปหมดนั้นตรงไปยังแหล่งน้ําโดยดีแต่บนเงิมงําไปพรางฟังไม่ได้สักถ้าจะเทียบไว้ละขนาดรูปร่างแล้วยังขยินจับหนานอินมือเดียวทุ่มก็ยังไหวแต่ในอดีตนั้นฟ้ามือเหี่ยวๆของหนานอินที่ลงอาคมไว้ ตบกระโหลกมันโครมเดียวยินก็แทบชักทั้งๆ ท, ท, ที่สูงใหญ่ปานยักษ์ปักหลันนักเลงรุ่นลูกมักจะไปสู้อะไรกับตำบะอะไรกับนักเลงรุ่นพ่อที่เคยเตะพ่อของมันเองมาแล้วด้วยซ้ำจ่าเรียนยืนมองรูปภาพที่เกิดคืนนั้นด้วยอารมณ์ขันเออเนี่ยมันกลัวลุงจริงๆน่ะฉันว่าถ้ามันทุบลุงทีเดียวลุงคอหักไหนจะแก่กว่ามันไหนจะตัวเล็กกว่ามันนานอินหัวร่อหึหึ พ่อบุหรี่ใบตองแห้งในมือช้าช้นานอินเห็นมันตั้งกะมันอยู่ในท้องแม่ของมันตอนจะคลอดมันแม่มันก็เกือบตายถ้านานอินไม่นั่งสะกดอยู่ทางด้านหัวไว้ตอนทำคลอดพ่อของมันชื่อไอ้ขนมล้ายกาดกว่าล้ายกาดกับไอ้นี่หลายเท่าเวลานานอินเมื่อยขบยังต้องมานั่งบีบขานวดให้มันจะในละคุณนานอินก็ให้มันรู้ไปตอนที่พ่อมันตายเพราะช้างเหยบ ไอ้ขยินนี่ได้อายุได้สักสิบขวบวิ่งมาเกอะขาร้องไห้แง่แง่ตอนนั้นอินเดินผ่านลมช้างต้องอยู่ช่วยมันล้มช้างตัวนั้นแล้เอาหัวใจช้างมาย่างไฟให้มันกินครูพรานผู้เทาพูดเนิบเนิบไม่จริงจังอะไรนะตาเินลืมตาโตหล่อนเพิ่งจะมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่านานอินนั้นอดีตเคยมีสัมพันธ์กับขยินมาเพียงไรพวกพรานเทาพูกนี้แหละที่นําพี่ชายของหล่อนอนุชาวาลาฤทธิ์บุกปันจนเหยียบเทือกพระศิวะ เข้าถึงมรกรนครมาแล้วและก็เป็นคนคนเดียวกับที่ได้ให้ความอุปการะเลี้ยงดูแงซ า, ายขณะที่กระเซอ่อกระเริงมากับมารดาเพียงสองคนและในที่สุดก็นำเด็กน้อยผู้นั้นไปฝากไว้กับพระธุดงจนในที่สุดเด็กน้อยผู้นั้นก็คือจักรราษ่งราชวงศ์สุริยเทพกลับไปกู้บัลลังก์กู้ประชาชนให้พ้นจากอานาจปกครองของ ข, องขบฏ ท, ทรราชยังมรกรนครมหาอนณาจักรในแดนสนทยานั้น มันดูเหมือนจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่หล่อนได้สนทนากับนานอินตามลําพังโดยไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วยขณะนี้ทั้งสองเดินมาหยุดอยู่ริมปากทางด่านซึ่งนําเข้าสู่บริเวณปางพักด้านที่นานอินนอนดักอยู่เมื่อคืนและหล่อนได้เดินออปเผชิญหน้ากับไอ้ผีติดมันตรัยระหว่างที่ครูพรานนอนอึดอัดมันถูกผีอำอยู่เมื่อคืนนี้ลุงเสียท่ายังไงนะถึงได้นอนตัวแข็งทื่ออยู่ ตอนนี้ฉันเดินออกมาปะหน้ากับเจ้ามันไตรในร่างไม้ของมันนั้นร่อนถามขึ้นแผวเบานานอิ น, นึกไปไม่ถึงแกสารภาพตามตรงกันนอนเอาหัวออกทางดานด้านนอกให้มันมายืนสะกดอยู่บนหัวได้ถ้านานอินนอนเอาปลายเท้าออกมันจะทำอะไรนานอินไม่ได้เลยความจริงถ้ามันจะฆ่านานอินมันก็ฆ่าได้แล้วแต่มันคงต้องการจะสะกดนานอินไว้เพื่อหาทางเรียกนายหญิงออกไป เวทมนต์อาคมมันร้ายมากแต่ต่อไปนานอินจะระวังตัวให้มากกว่านี้นายหญิงไม่ต้องกลัวและอย่าไปให้พระห่างตัวนายหญิงมีของดีอยู่กับตัวแล้วถ้าคุมสติให้ดีมันจะทำอะไรนายหญิงไม่ได้แน่ขอให้ฉันถามอะไรลุงสักนิดเถอะอยากรู้มานานแล้วนายหญิงจะถามอะไรสมัยก่อนนี้ฉันได้ยินระพินเอ่ยชื่อถึงนานพลายอยู่เสมอลุงอินเคยรู้จักหมอ๋อ ครูพราณคนหนึ่งของพรานใหญ่แก่แก่กว่านานอินสีงห้าปีแต่อายุของแกสั้นไปหน่อยพรานป่าก็ต้องตายเพราะป่านั่นแหละนายหญิงประโยคลังของแกทำเอาล่าสกุลสาวใจหายอย่างไรพี่กนฉันรู้จักลุงนานอินและเชื่อโดยว่าเก่งมากแต่นานพลายล่ะเก่งเท่าๆกับลุงอินมะที่นานนั่นฮะแรกแกก็บวชเป็นเนนมาก่อนต่อมาก็เป็นพระทุดงกําเวรอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจากพระ นันศึกออกมาเป็นพรานมันเป็นกรรมแต่หนหลังพี่นานจะเก่งสักขนาดไหนก็ต้องตายเพราะสัตว์ปาสำหรับนานอินถ้าตามพบประพินกลับมาได้ครั้งนี้ก็จะเลิกเป็นพรานบวชเป็นพระและ้วถ้าไม่ตายเสียก่อนถ้างั้นก็แปลว่านานภายจะต้องเก่งมากทั้งวิชาพรานและไยเซสตร์เก่งไม่เก่งนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างพี่นานนั้นลูดใบไม้มาเซกเป็นตัวต่อให้ต่อยใครก็ได้ นางไม้ที่ว่าเหี้ยนแรงสักขนาดไหนก็นเรียกเอามาทำเมียได้แต่นานอินไม่ถึงขนาดนั้นแต่บทชะตาขาดกระทิงขี้โลกตัวเดียวก็ทำเอาแกตายได้ยังไม่น่าเชื่อกรรมเวรมันมีจริงในโลกนี้นายหญิงแก่ตัวมันนี่นานอินถึงเพิ่งจะค่อยๆสำนึกได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าตามนายละพินกลับมาได้ครั้งนี้น้นอินก็จะบวชให้เจ้าเวรนายกรรมละ่ะ จะมีชีวิตรอดไม่ได้ถึงครองพ่อเหลืองหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยกรรมอาจตามทันเสียก่อนฉันขอภาวนาและอนุโมทนาให้ลุลุ้ลงล่ว ง, งหน้าขอให้สำเร็จผลอย่างที่ตั้งใจไว้เถอะสาธุแม่คุณนันอินทุกวันนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างพรานทั่วๆไปแล้วนอกจากจะจำเป็นป้องกันตัวแลขอมาเป็นอาหารประทังทีพยังไม่มียาไม่มีจะกินเท่านั้น นันอินอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเมืองถ้าไม่ประทังชีวิตด้วยของป่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงไอเรื่องจะยิงทิ้งยิงขว้างฆ่าเขาโดยไม่จําเป็นนะ่ะเลิกมาตั้งแต่กับจากเทือกพระศิวะโน่นแล้วลุงว่านานพลยเป็นครูของระพินแล้วลุงคิดว่าระพิน์จะเก่งเท่านันพัายไหมครูพรานผููเท้าเอื้องไปครู่ดารินจ้องหน้าแกรอฟังคําตอบอยู่นานอินบอกไม่ถูก นายราพินเป็นคนสมัยใหม่ก็จริงแต่โดยแท้จริงแกเรียนหนักทางไซยศาสตร์เพียงแต่ไม่ยอมบอกใครเท่านั้นแล้วก็มีครูบาอาจารย์อยู่หลายคนไม่ใช่เฉพาะนานถลรเท่านั้นนายหญิงเคยเดินป่ากับนายราพินมาแล้วคงจะรู้เห็นอะไรกับตามาบ้างว่านายป่าและนายราพินแกมีฝีมือทุกด้านขนาดไหนจะจะไปหวังให้แกอธิบายบอกความจริงอะไรแกไม่พูดหรอกของอย่างนี้อาจารย์เขาสั่งนักสั่งหนาไม่ให้พูดบอกใคร ไม่ให้ทําทำํำไมจําเป็นจริงๆถึงนานอินก็เหมือนกันนายหญิงจะถามว่านานอินรู้อะไรบ้างนานอินก็บอกไม่ได้เอาไว้ให้เกิดเหตุการณ์เช่นก่อนแล้วนานอินแก้ได้เองปรานป่าจริงๆไม่เรียนเวทมนต์คถาด้วอมีดีอยู่ในตัวจากสัจจวิทยาอาคมเก่งแต่เดินป่าเก่งแต่ยิงปืนแม่นก็เดินอยู่ได้แค่ชายชายดงเท่านั้นบุก ป, ป่าลึกขันจริงๆไปไม่รอดหรอกนายหญิง แค่ขาดน้ําขาดอาหารสองวันก็ตายแล้วโดยใจจริงของนานอินและพูดกันตรงๆไม่ยอมนายละพินน่าจะเก่งกว่านานอินหรือครูพรานแต่ละคนของแกเสีอีกเพราะแกได้จากหลายๆคนมารวมกันและนายละพินก็เรียนในทางนี้ได้ครั้งเพราะแกมีดีแกเป็นคนดีมีธรรมในใจมีสัจจะเป็นที่ตั้งอันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่แกก็มีบาปที่ต้องมาเป็นพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าถ้าคิดเสียวะ ชาดก่อนไอสัตว์ป่าพวกนี้มันก่อกรรมทําเข็นกับแกมาก่อนชาตินี้แกจึงต้องตามมาล้างกรรมนั้นแกก็ไม่น่าจะบาปเพราะเป็นการตามทวงหนี้กันว่าแล้วนันอินก็หัวแล้วหือหอห้ออยู่ในคอเช่นนั้นดารินหันหน้ามายังทึ่งทึ่งลุงนี่เป็นนักปัจฉญาคนนึงเหมือนกันนะนายหญิงว่าอะไรปรัจฉญาแต่ฟังไม่รู้เรื่องเออฉันฉันหมายถึงว่าลุงอยู่ในโลกนี้มานานรู้มากเห็นมาก เห็นความจริงมามากและเข้าถึงความจริงนั้นๆผิดกับชาวป่าชาวดงทั้งหลายว่าแต่ว่าไอสิ่งประหลาดหน้ากลัวที่พวกเรากําลังพบอยู่นี่ถ้ามันไปเกิดขึ้นทางด้านของระพินเขาจะรับมือ ม, มันไว้ได้ไหมนี่ตามความคิดของความเชื่อของลุงเชื่อนานอินเถอะในป่าแล้วไม่มีอะไรจะทําอันตรายในาระพินได้นอกจากไข้จับสั่นเท่านั้นแต่คนอื่นๆที่ไปทํากับ แ, แกนานอินไม่กล้ารับรอง แต่คนอื่นๆที่ไปกับแกนานอินไม่กล้ารับรองแ่อาจระวังไม่ทันก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่งถ้าแกถึงคาดคนเราถ้าถึงที่ตายต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็ต้องตายวันอย่างค่ําแค่มดกัดก็ยังตายได้เลยลุงเคยเดินป่าคู่กับแง่ทรายใช่ไหมโดยที่ลุงเองก็ไม่รู้ว่าแง่ทรายนะั้นแท้จริงก็คือเด็กเล็กๆกําพร้าแม่ที่ลุงเคยอไปฝากพระธุดงไว้และพอพบตอนเป็นหนุ่มลุงจําเขาเองไม่ได้แต่ก็เคยไปตามแลดได้กันตามแถบ ตนินตยีฝั่งขนุนเรื่องนี้แงซ า, ายเคยเล่าให้ฉันฟังเองอ๋อไอหนุ่มพนเจจนจรรูปหล่อที่กลายมาเป็นพระเจ้าจากกาาากักรลาดมรกรนครนั่นน่ะเหรอพรานเท้าร้องเสียงสูงเลือกคิ้วขึ้นทั้งสองข้างน่าหญิงจะถามเรื่องอะไรเปรียบเทียบกับประพินใครเก่งกว่ากันในเรื่องของป่าชนิดทุกชนิดคราวนี้แกอึ้งไปนานอาการเหมือนจะทบทวนพทเพจย้อนหลังพูดตามจริงแงซ า, ายก็สิทธิ์มีครู เป็นครูชั้นพระอริยาจาอรลังหันด้วยและโดยแท้จริงมันไม่ใช่พรานป่าอาชีพมันท่องเที่ยวแเจนจรไปเพื่อจะหาโอกาสกลับไปบ้านเมืองของมันถ้าจะเทียบเชิงพรานกับนายละพินนานอินบอกตรงๆสู้นายละพินไม่ได้หรอกถ้ามันเก่งจริงทําไมมันถึงต้องพึ่งนายละพินมาคอยติดสอยห้อยตามอยู่เพื่ออาศัยกลับเมืองแต่สองคนนี้ถ้าจะมาจับคู่กันเมื่อไหร่ก็โน่นถ้าเขาไกละรลาดมีจริงก็ไปกันได้ถึง นละพินอา จ, จต้องพึ่งแงซายในบางเวลาแต่งแงซายต้องพึ่งนายละพินมากกว่าอืมแปลกมากนะในความคิดเห็นของลุงเรื่องนี้สมัยที่ระบุกบั่นไปตามพี่กลางกับลุงในครั้งนั้นดูผัดผาดเหมือนกันวะแงซายจะเหนือกว่าละพินซะอีกในเรื่องของป่าดงผงไพรนานอินสันหัวไม่จริงลอกนายหญิงดูผัดผาดนายหญิงหรือคนอื่นๆอาจเห็นอย่างนั้นจะดูให้ลึกเถอะวะ ถ้าเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วใครเป็นคนแก้ไขตกนรารพินหรือแงสายอย่างเก่งแงสายก็เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นนานอินรู้ว่านายหญิงเป็นห่วงนายราพินตอนนี้มากเหลือเกินไม่ต้องห่วงแต่เน้นเสียงอย่างมั่นใจขีดตุดสิ่งที่จะต้องห่วงก็คือฝ่ายของพวกเราเท่านั้นว่าจะสามารถตามแกทันหรือตามแก่พบหรือไม่รวมทั้งอันตรายที่จะมาเล่นงานพวกเราด้วยลําพังตัวแกเองนะ ถ้าพลาดพลั้งตายลงเมื่อไหร่มันไม่ใช่เพราะแกไม่มีฝีมือแต่เป็นเพราะชะตาขาดหรือหมดสิ้นเวรกรรมในโลกนี้เท่านั้นยังก่อนถ้าจะจากโลกนี้ไปหมายถึงการสิ้นเวรสิ้นกรรมของเขาฉันก็ขอภาวนาให้กำเวรของเขาหยับพึ่งสุดสิ้นเช่นก่อนเลยแม้ว่าการภาวนาเช่นนี้จะเป็นบาปสําหรับตัวฉันเองก็ตามดารินกล่าวช้าช้ายังหนักแน่นดวงตาเบิกโพลงมองออกไปยังลาวป่าอย่างปราศจากจุดหมาย ขณะนั้นทั้งสองก็ต้องสะดุ้งขึ้นในช้วนหัวหน้าลูกคักเล่นคือดขอบตรงเข้ามาพร้อมกับร้องบอกอะไรฟังแทบไม่ได้สับลุงอินนายหญิงครับเร็วที่ปางพักนอนของเจ้านายเกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกเราไม่รู้จะทําอะไรกันถูกพยินให้ผมเล่นมาตามนายหญิงกับลุงอินดารินหันขวับไปทางในช้วน ท, ทันทีและมองปราดไปยังบริเวณที่พักนอนของฝ่ายลอนซึ่งบันที้เห็นขยินกับพวกลูกคักสามสี่คนกําลังยืนมุงดู อยู่ทางด้านปลายเท้าคนเหล่านั้นห่างๆเนการกระสรับกระส่ายส่วนภาพของพี่ชายกลางพี่ชายใหญ่และชายยันก็ยังเห็นจากระยะห่างว่ายังนอนอยู่ในสภาพเดิมแตบขณะที่หล่อนลุกขึ้นมาวนานาร์อินเขย่าไหล่ถามเร็วๆว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะจงอางในช่วนล่นล้ำลักชีบอกมาตัวเท่าข้อมือยาวร่วมว่ากําลังวัยทีเดียวมันเลื้อยมาจากไหนก็ไม่รู้สงสัยจะโผล่มาจากซอกโขดหินเงือหัวนอนเจ้านายกัดเจ้านายคนใดเข้างั้นหรอือ หานเท้าร้องสวนไปก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะทันจบประโยคเจ้านันสันหัวกันชิษะย่างมันยังไม่ได้กัดใครทั้งนั้นแต่ดันพาเลยขึ้นไปขดตัวแพ่หัวอยู่บนกลางตัวของนายใหญ่คงจะนึกว่าพวกนายใหญ่หนายกลางและนายทหารที่นอนห่มผ้า ก, กันอยู่เป็นขอนไม้หรือยังไงก็ไม่รู้สิขึ้นไปม้วนตัวสบายอยู่บนตัวนายใหญ่ํายังทูคอมองดูไอ้พวกนั้นทนายกลางนายใหญ่หรือนายทหารกระดูกก็ดกนิดเดียวให้มันรู้ว่าเป็นคนเมื่อไหร่มันต้องชกแน่ ไอ้พวกนั้นไม่กล้าทําอะไรได้แต่มองดูอยู่เฉยๆดารินกล้าวพุ่งออกจากที่ยังรวดเร็วนานอินก็สาวเท้าตามมาติดๆร้อมกับผัวหน้าลูกค่าเสียงครูพรานเทาร้องไปก่อนแต่เสียงไม่ดังนักว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนั้นถอยห่างออกมาก่อนถอยช้าๆอย่าเข้าไปใกล้ที่นอนของพวกเจ้านายเย็นกับพวกลูกค่าที่เดินอยู่นู่นู่กันอยู่ก็ไม่รู้จะทําอะไรได้ถูกพากันค่อยๆถอยลังออกมาทันทีอย่างช้าๆเป็นเวลาเดียวกับที่ดารินแนะนานอินก้าวเข้าไปถึง ระยะนั้นห่างประมาณ9 1 0ถึงหลาเท่านั้นมองเห็นอย่างถนัดอสอพิษร้ายระดับจงอางตัวหนึ่งกำลังมีขนาดคล่องแคล่วว่องไวเต็มที่ตัวไม่ใหญ่และไม่เล็กนะํำตัวประมาณข้อมือและยาวกับสองวากำลังประดิษฐานอยู่บนผ้าแบรงเก็ตผืนใหญ่ที่คณะใช้นอนห่มกันอยู่ในลักษณะกึ่งขมวดขดกึ่งทอดลาตัวยาวคือส่วนปลายหางนั้นเงยง้าอยู่บนบริเวณหน้าอกของอนุชา ตัววันใหญ่ของลําตัวม้วนขดอยู่กลางท้องของเชษฐาซึ่งบัดนี้เพียงมองเห็นแว บ, บเดียวดาลินก็รู้ทันทีว่าพี่ชายทั้งสองของเรารู้สึกตัวแล้วแต่พากันนอนนิ่งไม่ยอมกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเลยแทบจะไม่กล้าหายใจด้วยซ้าส่วนชายยันที่นอนห่างออกมาประมาณสองศอกไม่ได้ถูกมันทับอยู่ด้วยทว่าก็นอนอยู่ในแบรนเกตพื้นเดียวกันถ้าแม้ว่าคนใดคนหนึ่งในสามคน ทำให้ผ้าที่ห่มกายอยู่ขณะ น, นี้ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวไอ้มัจจุราชแห่งใครหรือผู้ไม่มีตีนตัวนั้นคงเล่นงานทันทีปัดนี้มันชูหั ว, หวแผ่พังพานสูงขึ้นมาประมาณศอกเสร็จและไม่ได้สนใจกับมนุษย์ที่ลำตัวของมันขึ้นไปขดทับอยู่แต่สนใจยกหัวขึ้นดูไม่ยังพวกลูกหา่าและแผแม่เบีย้ยมันจะสำรวจดูท่าทีพวกนั้นอยู่เช่นนั้นดารินจ้องตาเบิกโพรงไม่กระพริบมือค่อยๆขยับลูกเลื่อนขึ้นลำไลเฟิล 300อของหลอนยังแผวเบางานอินกับซิปเรีวปือ้อยเสียงยิงในหญิงทันนัดเดียวไม่อยู่และพวกเจ้านายตรีตะเลือกไว้ตัวขึ้นแล้วก็มันชกลงมาแน่นันตัวขนาดนั้นเคี้ยวยาวพอที่จะทะลุผ้าผมลงไปได้แ ล, ล้วลุงจะทํำยังไงหล่อนกระซิปถามตายยังจ้องไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นมันมองเห็นแม้กระทั่งอาการที่นอนนิ่งตัวเกรงของพี่ชายทั้งสองและชายยันซึ่งก็ต้องตื่นรู้สึกตัวแล้วเช่นกันเพียงแต่แกล้งทําเป็นหลับตายอยู่เท่านั้นเทธานั้นตลันลมหายใจเต็มที่ เพื่อให้ร่างกายของตอนขยับขเขยื้อนจนมันสำเนียกได้โชคดีอยู่นิดที่ทั้ง3ายังมีพระหมคลุมปิดตัวอยู่อีกชั้นหนึ่งนานอินจะเข้าไปล่อมันอาจพุ่งออกจากตัวของเจ้านายไล่นานอินออกมาหรือไม่แต่เลือหนีไปพ้นจากตรงนั้นไม่ได้นั่นยิ่งเสียงมากขึ้นไปอีกองอาจมียาดีพอที่จะแก้พิษจงอางได้แต่จะยอมให้มันกัดใครซะก่อนแล้วค่อยมารักษามันเป็นปเรื่องยุ่งยากเสียเวลามากพร้อมกับกล่าวล่าศิลป์สัคส้ค่อยค่อยซุดตัวลงนั่งล่ากับพื้นในท่านอนยิงทันทีเเพื่อแนนวกระสุฉียด ขึ้นสูงปลอดภัยจากพี่ชายทั้งสองและเพื่อนแต่มันก็ต้องหมายถึงว่าทั้งสาบุคคลโดยเฉพาะเชษฐาจะต้องไม่สงบตัวขึ้นมาเสียก่อนและถ้าพวดพลาดขึ้นมาในตอนนั้นก็ย่อมจะเจอลูกปืนของหล่อนเข้าพอดีหลองบอกเขาเข้าไปอย่าให้ดังนักอย่าให้มันตกใจบอกว่าฉันกําลังจะยิงให้พวกคขานอนเฉยๆอย่ากระดูกกระดิกเป็นอันขาดรับรองนัดเดียวเท่านั้นหล่อนบอกอย่างมั่นใจขณะที่ประทับไลฟ์เฟิรนเข้าซอกหลายในท่านอนยิงนะ ระยะขนาดนี้อย่าว่าแต่ความกว้างของบริเวณลำคอที่แพ้แม่เบี้ยกว้างประมาณฝ่ามือเลยต่อให้เล็กขนาดแมลงวันหลอนก็ไม่มีวันปลาดยังจะ ต, ตื่นเต้นบ้างเท่านั้นในกรณีที่ก่อนที่หลอนจะทันลั่นไกออกไปหากมันรู้ตัวฉกพักพวกคนหนึ่งคนดใดซะก่อนหรือสำเนีจอถึงอันตรายพุ่งเข้ามาจากผะห่มไล่เข้ามามันจะลุกเพ่นหยีไม่ทันแน่ขณะที่ศูนย์ปืนของหลอนจัดวิธีกลางลำคอที่ชูและสายหน้าน้อ ย, อยพร้อมกับหันซ้ายทีขวาทีของมัน น, นัดอีกกรสุนตัวลงน้าข้างๆกับซิบอย่างรีบร้อนว่าจะเพุ่งยิงนหญิงบอกก่อนจะยิงงตรงไหน กระดูกก้านคอให้มันหักพับไปเลยไม่ได้มันอาจพลาดลูกผ่านหนังคอมันไปเฉยเฉอต่อให้ถูกกระดูกก้านคอมันก็ตายจริงแต่พอหัวมันพับลงมามันอาจลงเขี้ยวเป็นครั้งสุดท้ายสุดจะคอมันจะพับตกไปทางไหนนายยิงกะยิงให้สูงขึ้นไปอีกกะให้กระสุนกระทบปากมันเลยได้ไหมปากมันให้เขี้ยวมันแหลกยับไปเลยเอางั้นก็ได้เอนเบนสูนสูงขึ้นไปจับที่บริเวณปากที่แลบเลี้ยงอยู่แปรๆ อย่างพยายามสำเนียงกลิ่นนานอินก็พูดขึ้นรเรียบๆด้วยเสียงปกติธรรมดาแต่พอให้ได้ยินไปยัง3าคนที่นอนตัวแข็งทืออยู่กลั้นใจไว้ไหนทั้งหลายอย่ากระดิกนายหญิงกำลังจะยิงไม่มีปัญหาทั้งอนุชาเชษฐาและชายยันได้ยินคำสั่งนั้นแน่ๆเพราะแต่ละคนที่นอนเป็นท่อนไม้อยู่ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างแล้วครูพานผู้ท้าก็สกิดแขนหล่อนเป็นสัญญาณแทนคำสั่งว่าให้ยิงได้ดารินกลั้นใจเล็งระยะเผาคนของไรเฟิลขนาดนี้หล่อนแน่ใจในฝีมือ แต่สาภาพกับตนเองว่ายังไม่แน่ใจกับความตื่นประม่านะมันอาจพลาดก็ได้เพราะชีวิตของพี่ชายและเพื่อนถูกวางเป็นเดิมพันอยู่ข้างหน้าเท่าๆกับอีกประการหนึ่งสมมุติว่าชิงเวลากันเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันพุ่งตัวเข้าใสาล่ลอนเช่นก่อนลอนจะทำยังไงเพราะตัวเองก็กลัวอยู่เช่นกันประมาณครึ่งวินาทีหลอนแตะไกลจุด300เวแม็กสารเบอร์สะพานแหลมไป ท, ทั้งขอบเขตโคดินที่แวดล้อมอยู่สิ่งที่ทุกคนเห็นพร้อมกันกำปนาตเสียงปืนสีสันยกชูแผลังภาพอยู่นั้น ปัดพริกไปในพริบตาและสิ่งอัญชุนระหุที่ติดตามต่อมาจนทําให้ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ก่อนในขณะนั้นก็คือร่างที่นอนกันอยู่เหมือนศพหรือท่อนไม้ทั้ง3ามก็พรวดขึ้นมาแล้วก็มีสปริงดีดกระเด็นออกจากโรงพราะผมที่อาศัยคลุมตัวรวมกันอยู่ไปคนละทิศละทางสุดแต่ว่าใครจะสะดวกเอาทองด้านไหนอนุชาเชษฐาและชา ย, ยันมีความรวดเร็วแข่งกับเวลาได้พร้อมเพรียงกันดีแล้วเกินพร้อมกับเสียงล่องแงะวยวายกันลั่นดารินภายหลังจากยิงไปแล้วก็ยังคงนอนในท่าคว่ำราบอยู่กับพื้นที่นั้น นานอินกระโดดเข้าไปส่วนพี่ชายทั้งสองและเพื่อนที่ครั้งแรกเพ่นกันไม่รู้ทิศทางเอามาก่อนไปยืยนคุมเชิงกันอยู่คนละด้านจ้องไปรวมจุดที่งูตัวนั้นซึ่งกําลังม้วนตัวดินเป็นเกลียวอยู่ในอาการคนลุกขนพองนานอินนั้นเขาไปก้มสํารวจดูแล้วก็ช่วยได้ท่อนหาของมันหน้าตาเฉยโ ย, ยอนออกมากลางที่โล่งพ้นจะกพ่อผมผืนใหญ่ที่กำลังม้วนตัวเองเป็นเกลียวอยู่นั้นอยู่แล้วนายหญิงไม่ถูกปากหรอกแต่หัวแหลกไปเลยแบบนี้ไม่ทันจะกัดใครได้หรอกราศกุลสาวถอนใจออกมานีหนึงอย่างโล่งอกหลุดลุกขึ้นยืน ปอกระสุนที่ยิงแล้วออกกระเด็นไปกลิ้งอยู่กับพื้นแล้วเดินเข้ามาดูซากงูซึ่งส่วนหัวแหลกละเอียดหลอนยิงต่ํากว่าป้าหมายที่เจตนาเป็นหนึ่งซอมอไม่ได้กระทบปากโดยตรงตัดชอนเข้าไปใต้ขาแกล้งด้านล่างระเบิดออกกึงกลางศีรษะของมันพอดีสองพี่ชายและอีกหนึ่งเพื่อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาดูซากงูนั้นอยู่ด้วยพร้อมๆกับขยินและพวกลูกหาบทั้งหลายอันมุ่งอยู่รอบนอกพากันมองหน้าหลอนและกับเพิ่มตาปิดๆยังไม่อาจจะเอ่ยคําใดออกมาได้อย่างน้อยก็อึดใจหนึ่งและชายันก็เอเ่ยข อรุณสวัสดิ์ให้ตายเถอะเป็นการปลุกที่ไม่ค่อยจะโศภาสําหรับพวกเราเลยใครฉันเรื่องงูตัวนี้หล่อนถามเรียบๆมองดูขนาดความยาวซึ่งบัดนี้อาการดิ้นค่อยๆน้อยลงเป็นลาดับเพราะประสาทสมองถูกทำลายเฉียบพลันคมเหลือแต่เฉพาะส่วนหางเท่านันที่ยังกวาดวาดไปมาช้าๆก็ทั้งสองท่านนั่นแหละท่านแรกก็คือพ่อตัวยาวไม่มีจีนตัวนี้ส่วนท่านที่สองก็คือมาดามไพร์วันที่ยื่นอยู่นี่วันหนีดีฝอตกใจพอๆกัน ไม่ว่างูหรือเสียงอะไรเฟิ้นฉันยังไม่จะเป็นพัญญาของเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเรียกมาดามพไเรยวันและฉันก็ขอพลังกระแสจิตของเขาเข้ามาช่วยด้วยก่อนจะลั่นกระสุนนัดนั้นถ้าเธอคิดว่าฉันถ้าใครควรจะใช้วิธีเอาไม้มาตีมันในขณะที่มันกําลังคด ต, ตัวแผลแม่เบี้ยอยู่บนพุงของพี่ใหญ่มันคงพูดหน้าตาเฉย อ, อยู่ตามเดิมแล้วมองไปทางพี่ชายทั้งสองกล่าวต่อไปว่าตอนที่มันสะบัดหัวพับลงไป คงยังไม่ทันกัดใครนะคะน้อยหวังไว้เช่นนั้นทั้งเชษฐาชายยัยาและอนุชาหายงวงเงียเป็นปริต ท, ทิ้งยินยิ้มย่องผ่องใสอ ย, ย่างยินดีตรงเข้ามาล่าหางูเครื่องตัวนั้นออกไปลอกหนังกันสดๆร้อนๆกับพวกลูกหาบทันทีอนุชาไม่พูดอะไรตบต้นแขนน้องสาวแรงๆเหมือนจะบอกขอบใจหนึ่งั้งแล้วเดินไปล้างหน้าส่วนเชษฐาเกาแก้มกรากกากมันหวาดเสียวพอๆกันทั้งงูตัวนี้และกระสุนของน้อยนัดนั้นเออบ้าจริงๆทำไมพวกเราถึงต้องเฉียด ต, ตายกัน ที่เกินไปงี้ก็ไม่ลุกที่เธ น, น้อยยิงพลาดนิดเดียวแม่ใครก็ซวยแน่รู้สึกตัวตื่นกันขึ้นตั้งแต่ตอนไหนคะนี่ทั้งสามคนมันทาาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจิตใจของหญิงสาววันที่เรากับเหล็กเพชรในเหตุการณ์เสียดสยองทุกชนิดถ้าจะผิดกันเป็นคนละคนกับยุคก่อนจะตอนไหนก็ตอนที่รู้สึกว่ามีอะไรหยุ่นหยุนหนักๆมันขึ้นมาทับบนท้องพี่นะสิ์พอลืมตาขึ้นมาก็แทบช็อกห า, ายใจยังแทบไม่กล้าเลยเลือผ่านมาทางในกลางก่อน นั้นคงรู้สึกตัวก่อนพี่ีแล้วส่วนชายยันคงจะเป็นคนถัดไปที่ตื่นขึ้นโชคดีที่ทั้งกลางและทั้งชายยันรู้หลักไม่กระโตกกระตากไว้ตั ว, ล, วลุกขึ้นเพ่นในตอนนั้นเพราะถ้าแบบนั้นมันคงจะไล่ชคเอาแน่แน่ตอนนั้นนึกไม่ อ, ออกจริงๆว่าจะทํำยังไงดีมันเป็นอมาพาดไปหมดพวกเราสามคนไม่มีทางจะช่วยตัวเองได้เลยในภาวะเช่นตะกี้นี้อนุชาล้างหน้าเสร็จจัดน้ําในถังที่เคยยินตักมาให้เอาผ้าขาวมารูปหน้าหลวลวแล้วเดินเฉียดผ่านเข้ามาบอกกับทุกคนว่า เตรียมตัวได้แล้วให้เวลาทั้งหมดยี่สนาทีรวมทั้งการกินอาหารด้วยหจากนั้นเราจะเคลื่อนที่และเขาก็หันไปทางขยินกับพวกลูกหมาที่กําลังควันคอลอกหนังงูล้ายอยู่ออกเกลือกับพริกลูกแล้วย่างให้ดีประเดี๋ยวขอกินด้วยคนพูดแค่นั้นอดีตพลานชดก้าว ก, กลับเข้าไปในที่พักนอนลื้อขนจัดเตรียมเป้หลังของตัวเองง่วนอยู่ไม่สนใจอะไรอีกพยายันหันไปยักยุ๊กกับเชิดาพูดเบาเบาว่าไม่เลวหรอกสองพี่น้องคู่นี้ ก็ต่างคนต่างพยายามเรียนแบบปรพิน์ได้กับเหมือนเดียกันทั้งคู่ทีเดียวมีเราสองคนเท่านั้นที่เด้อดางุ่มง่ามพิลึกนี่อา้าเร็วเชี่ยาปฏิบัติตามคําสั่งของเขาประเดี๋ยวจะได้จร ล, ลีจากไอที่มหาสวยนี่ไปเสียทีแล้วอย่าลืมนะว่าเราสองคนต้องเดินตามหลังเขาคู่นี้มันเหมือนกับที่เราเคยเดินตามหลังปรพิน์ในครั้งก่อนนั้นเชีฐ า, าหัวลอกขันขันขึนข้นเลยเป็นครั้งแรกเดินเผาไปล้างหน้าทันทีดาริีเหนือจ้ดาดวงยยันร้องว่า เมื่อกี้นี่ถ้าพี่ใหญ่กับพี่กลางออกมานอกโปงผ้าด้าแล้วเหลือเธออยู่คนเดียวแล้วจังงูตัวนั้นมันคดอยู่บนหน้าอกของเธอฉันจะไม่ยุ่งอะไรด้วยเลยเป็นอันขาดพวกคนปากเสียชายันอ่าปากหาวหวอดและชูมือขึ้นบิดขี้เกียจถามมาทั้งหาว่ะเธอตื่นนานแล้วเหลือน้อยดารินหมั่นไส้ไม่อยากจะพูดอะไรด้วยอีกอลูกปืนที่หลอนกําลังจะยัดเพิ่มเติมเข้าไปในแมกกาซีนไรเฟิลให้เต็ม ประเทศทดแทนนะัดที่ยิงเบติกี้นี้ยัดเข้าไปในปากที่อ้ากว้างของไทรันแทนและเดินพระไปเสียเพื่อนชายสะดุ้งหยงอยู่ผูกปากแล้วดึงลูกไหร่ขั้นขนาดยาวนั้นออกมาจะปากทันทีพร้อมตะโกนนั่นเวอร์เล่นบา้บาๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้น้อยดีลูกปืนไม่หลุดเข้าไปในคอไม่เกิน10บนาทีหลังจากนั้นทุกคนก็อยู่ในภาวะที่พร้อมจะเคลื่อนที่เพียังแต่รอทานอาหารเชา้าชนิดพอประทะประทางกันเท่านั้น เาและอนุชาสอบถามนานอินถึงเหตุการณ์ก่อนที่ตนเองจะตื่นขึ้นมาก็ได้รับรายงานว่าทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อยดีส่วนดารินบอกให้พี่ชายและเพื่อนทราบว่านอนตื่นก่อนพวกนั้นเพียงไม่เกิน15นาทีเท่านั้นไม่มีใครตื่นแจ้นหรือสนใจถึงเรื่องงูจงอางเจ้ากรรมตัวนั้นอีกเลยเพราถือว่าเป็นอุปตัวประเหตุเล็กๆน้อยๆซึ่งแก้ไขผ่านพ้นไปด้วยดีจากฝีมือของดารินร่วมกับนานอินประกอบกับที่ทุกฝ่ายก็ชํานาญสารพัดภายในป่า มาเป็นอย่างดีแล้วรู้หน้าที่ของแต่ละฝ่ายว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างอะไรในเมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงสามารถประสานงานสอดคล้องกันได้อย่างกลมกลึดโดยไม่ขัดแย้งด้วยความคล่องตัวได้กันทั้งหมดแม้กระทั่งพวกลูกหาซึ่งก็ไม่ทำให้เสียพิธีเพราะถ้ามีใครสักคนในจำนวนที่มากันทั้งหมดมีความอ่อนหันดหืออ่อนชั้นเชิงเพียงคนเดียวเท่านั้นอาทิเช่นเกิดมีพวกลูกาคนใด เดมาพบงูขึ้นเป็นคนอยู่บนตัวของคณะนายจ้ากําลังนอนกัน อ, อยู่แล้วเออโวยวายทำให้มันตกใจขึ้นอันตรายก็ย่อมจะเกิดขึ้นแน่ในอนุชาวาลาลิตในฐานะมกุเทศ น, นําทางก็สั่งให้เตรียมพร้อมภายหลังเมื่อทุกคนกินอาหารกันเสร็จอย่างรวดเร็วถอนแคมเก็บผีทองสัมภาระข้อประจาําหักเทพากับชายันเดินตรวจดูรอบๆอีกครั้งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีพิรุษว่า หลังจากที่ม้อยเล่าันไปครั้งสุดท้ายจะมีอะไรแผ่ผ่านเข้ามาใกล้อีกจึงโบกมือไปทางอนุชาเอาละเคลื่อนที่ได้แล้วอดีตพลานชดก็ต้องก็ต้อนลูกถามให้เคลื่อนที่ออกจากที่มั่นอันคำ อ, อาศัยหลับนอนอยู่ในที่นั้นทันทีทุกคนลัดออกทางช่องของโขดหินตีกเลียงซากช้างที่นอนตายอยู่เต็มไปหมดเป็นภูเขาเหล่าการนี่ยไปเงียบๆเชษฐาหันมาคว้าแขนน้องสาวคุยอย่างล้าหลังเยืนพิจารณาอะไรอยู่ ให้ออกเดินไปได้วยกันพร้อมกับถามว่าเะดุนของเธอหายไปไหนแล้วไม่ทราบค่ะน้อยถามนานอินและทุกคนที่ตื่นก่อนเราแล้วแตไม่มีใครบอกได้ว่ามันหายไปจากแคมป์ของเราตั้งแต่เมื่ อ, อไรแต่นานอินบอกว่ามันคงไปหา ก, กินและคงอยู่ไม่ห่างเรานะคงจะเดินตามไปทุกระยะพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่ากังวลมันไปคือออกไปเดินนําหน้ากับพี่กางเขาก็แล้วกันพี่กับชา ย, ยันจะดุจะคุมหลังเอง ดารินเร่งฝีเท้าเดินกลัวตามหลังอนุชาและพวกลูกพาี่ล่วงหน้าไปก่อนนั้นอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว ท, ท, ท, รทั้งหมดทั้งที่พักแรมและทั้งหมดทิ้งที่พักแรมและหลักฐานของเหตุการณ์สสดสยองที่ผ่านมาไว้เมื่อคืนไว้เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างทํากันอย่างชนิดแข่งกับเวลาจับปัญหาที่ตกค้างอยู่ในใจต่างคนต่างเก็บไว้ภายในไม่นำมาเป็นข้อวิตกวิจารณให้เสียเวลาโดยการแกะรอยอย่างชํานาญของครูพา น, นานอินและอดีตพานชด คณะทั้งหมดตัดพ้นป่าหินบริเวณนั้นออกมาได้ครู่เดียวก็เริ่มจับทิศทางได้ทันทีว่าคณะของรพินที่ร่วงหน้าไปก่อนนั้นตัดไปทางด้านไหนแม้ระยะเวลาจะทอดเบนห่างกัน 7-8 วันก็ตามกลุ่มคนอันจัดว่าเป็นกองคาราวานจำนวนถึง20คนเศษวัสดทุที่ทิ้งให้เห็นอยู่เป็นระยะไม่ว่าจะเป็นซองหมากฝรั่งของพวกอเมริกันอ้นซิกะก้นบุรีและรอยหักกิ่งไม้หรือบากฟันทิ้งไว้มันเป็นนิสัยของพวกพราน ของรพินบ่งชีชัดไม่ได้เจตนาที่จะทำไว้เพื่อให้ใครติดตามมาเบื้องหลังแต่เป็นธรรมชาติตามปกติวิสัยที่เกิดขึ้นเอง mm. การเดินของฝ่ายติดตามในระยะนี้จึงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเดิมแบบซ้ำทับรอยไปทีเดียวนับตั้งแต่พ้นจากเขตป่าโป่งป่งร้อนออกมาและล่วงเข้าสู่ทุ่งหญ้าอันมองเห็นแนวป่าพา ย, ยุริบๆขวางเป็นแนวกั้นอยู่และฉากหลังห่างไกลออกไปเป็นเงาของขุนเขาใหญ่สลับซับซ้อน จับเส้นทางแน่ใจได้เท่านั้นดารินวราฤทธิ์ไม่ทราบกำลังมาจากไหนล่อนเดินแบบชาวป่ารือมีฉะนั้นก็มีวิญญาณของระพินไพรวันเข้าสิงเลยไม่รู้จักคำว่า เ, เหนื่อยอ่อนละไม่ห่วงพะวงว่าตนเองจะเดินเว้นระยะห่างพักพวกมาสักขนาดไหนขึ้นหมอลงมาก บ, บุกป่าฝ่าดงไปด้วยฝีเท้าที่เบากริบได้รวดเร็วเกินเชื่อเรากับจะเป็นมคุเทสนำทางใชเอง แม้แต่นานอินและมอมราชวงศ์อนุช้าก็ยังถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยชน์อะไรเสแล้วที่ใครจะทักท้วงหรือเรียกให้หลอนเข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยเพราะราชสกุลสาวไม่สนใจฟังเสียงและอันเนื่องมาจากภูมิประเทศบริเวณนั้นยังเป็นป่าโปร่งโล่งเพราะจะมองเห็นทัศนวิสัยได้รอบด้านไม่มีอะไรบงังสังเกตเห็นได้รอบทิศทางจึงยังไม่มีใครห้ามหรือจําเป็นต้องเร่งฝีเท้าตามหลอนขึ้นไปประกบเพราะแต่ละคนก็ล้วนอยู่ในประเภททําเวลาอยู่แล้วไม่มีใครโอเอชักช้าอยู่ รูปขบวนเดินทางจึงแบ่งออกเป็น3จุดกลางทุ่งหญ้าสูงสูงต่ำาๆก่อนที่จะเข้าสู่ดงไผ่นี้คือนำหน้าสุดรุดไปอย่างชนิดไม่ยอมห่างใครข้างหลังเป็นดารินผู้บุกนำหน้าขบวนอย่างโดดเดี่ยวทิ้งห่างลงมาประมาณ30มลาเป็นคู่ของนาดอินและอนุชาซึ่งเดินไปพลางก็สังเกตตามพื้นแสวงหาร่องรอยไปพร้อมกันด้วยถัดมาอีกจึงเป็นกลุ่มของลูกหาภายใต้การดูแลของขยิน และคุมหลังขบวนสุดแต่ก็สามารถมองเห็นตลอดไปจนถึงหัวขบวนด้านหน้าเป็นคู่ของเชศฐาและชัยยันการติดต่อถ้าจําเป็นจะเรียกหรือบอกความกันด้วยวิทยุมือถืออันใช้คลื่นความถี่ชนิดเดียวกันทุกเครื่องสําหรับเชษฐาและชัยยันไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบหลักฐานอะไรที่คณะของระพินทิ้งตกล่นไว้ให้เสียเวลาคงทําหน้าที่กองระวังหลังอย่างเดียวเพราะเชื่อแน่ว่าถ้าดารินและนันอินกับอนุชาบายหน้าไปทางไหน พนทางนั้นย่อมแปลว่าถูกกล้องแล้วประมาณ15ห้าองศาตะวันตกเฉียงเหนือที่น้อยกำลังบ่ายหน้านำไปนู่นเจิดท้ายกนาฬิกายกนาฬิกาเข็มทิศขึ้นมาดูแล้วเงยหน้าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงแรงกล้าขึ้นทุกขณะนั่นใครเป็นคนนำทางกันแน่นานอินกับกลางหรือว่าน้อยชายยันอดเป็นห่วงไม่ได้บุ้ยปากไปทางร่างเพียวละหงที่เดินคอนไลเฟิน ไว้ในแขนดุม ด, มดุมนำไปเบื้องหน้าโดยไม่ยอมเหลี้ยวกลับมาดูหลังเลยปล่อยเข้าเถอะห้ามก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนเราเมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนี้มีพลังงานพิเศษเสมอถ้าน้อยนําผิดนั้นอินกับกลางทักท้วงเองแหละการที่ทั้งสองคนนั้นเดินตามไปโดยไม่ท้วงก็แปลว่าน้อยแกะรอยได้ถูกแล้วแล้วเชิดฐาก็ชี้มือให้ชายยันดูกิ่งไม้เล็กๆที่มีรอยหักพับไว้ริมทางผ่านซึ่งรอยหักของมันแสดงว่าผ่านมาหลายวันแล้วไม่ใช่ดารินและพวกที่เดินอยู่เบื้องหน้าเป็นคนหักไว้ รีบด่วนฉุกลระหูกกันดีและเก้อในการเดินทางของเราแต่ละช่วงนี่ตั้งแต่เริ่มออกเดินมาลานี่กลางกับนันอินยังไม่ได้บอกเราให้รู้สักนิดว่าจุดหมายเฉพาะวันนี้เราจะมุ่งไปที่ไหนเออข้างไม่นันก็ไม่ยอมพูดจาว่าขานอะไรเหมือนกันออกเดินได้กระจำอ้าๆอ้านำรีวไปตลอดเลยพยายามบนเ บ, บาๆเชิ้าจึงปลดวิทยุออกมาจากเอวกดคีเรียกกลางร่องรอยของคณะลพินแน่ชัดมากใช่ไหมสาหรับระยะเส้นทางนี้ เากำลังเดินทับรอยพวกเข้าทีเดียวครับพี่ใหญ่อย่างน้องชายผู้รับเป็นมคุเทศตอบชัดเจนออกมาจากเครื่องรับส่งวิทยุประจำตัวจะบอกได้ไหมว่าพวกเข้าบ่ายหน้าไปทางไหนก่อนสําหรับการเดินเส้นทางนี้ช่ ย, ยันกดคีย์ถามไปบ้างเสียงของอนุช้างเงียบไปครู่คงจะหาเรืออะไรกับนานอินแล้วก็ดังแแววออกมาว่าถ้าถ่ายไม่ผิดคงจะมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านกะเหลี่ยงตะเคียนทองระยะทางเดินอีกประมาณสี่หชั่วโมงคนจะถึง ลับพินคงจะมุ่งเข้าหาชมลมชาวป่าที่นั่นก่อนเพื่อสอบทานถึงวีแววของเครื่องบินตกผมเข้าใจเช่นนั้นเธอคุ้นเคยกับหมู่บ้านชาวป่าที่นั่นดีมาก่อนหรือเปล่าเชษฐาเป็นผู้ถามระยะห่าง ก, กันประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้าระวังฝ่ายเดินอยู่นข้างหน้าและลังท้ายคุยกันได้เหมือนเดินอยู่ใกล้ๆ ก, กันผมไม่คุ้นเคยนักหรอกครับแต่ลุงอินรู้จักดีในบ้านชื่อโบเมีย่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่ขนาดห้าสิบถึงหกสิบหลังคาเรือนของพวกกะเหลี่ยงดงขยินก็คงรู้จักดี ถ้าเราแน่ใจว่าเขาจะมุ่งไปที่นั่นมีทางลัดทําเวลาให้เร็วกว่าสี่หชั่วโมงบ้างไหมไม่มีทางลัดวิธีอื่นที่จะย่นทางได้มากไปกว่าเดินตามผลทางเดิมเข้าไปโดยปกตินี่แหละครับยกเว้นแต่จะอ้อมให้เสียเวลาเท่านั้นเส้นทางระวังนีสภาพของภูมิประเทศเดินสะดวกพอสมควรนั้นนั่นน้อยเดินนําไปข้างหน้าเชยออกนอกที่ทางบ้างหรือเปล่าระวังหน่อยนะข้างหน้าที่เห็นอยู่นั่นเริ่มจะเป็นป่าปลวกละเกะละกะไปหมดมีเหลี่ยมมุมบางตามมากอย่าปล่อยให้เดินล่วงหน้าเข้าไปคนเดียว ไม่ต้องห่วงแร้วครับพี่ใหญ่น้อยแกะรอยได้ไม่แพ้ผมหรือนานอินเลยและที่ไม่หยุดรอ ก, ก็เพราะคงต้องการเร่งพวกเราประเดี๋ยวผมจะเร่งตามให้ทันครับก่อนที่จะรับข้อดงปลวกที่เห็นอยู่โนโู่นพี่ใหญ่ให้ขหยินเร่งพวกลูกหากระชั้นเข้ามาหน่อยพวกนั้นออกจะเดินช้าไปเสียแล้วน้องชายกลางแนะนํามาเชษฐาก็ตะโกนบอกขยินให้พวกลูกหาบทันทีที่เร่งเวลาขึ้นอีกตนเองกับชา ย, ยันก็กวดกระชั้นเข้าไปอีกวิธีเร่งของเขาง่ายนิดเดียวแค่งเดินแซงผ่านขาบวนลูกหาขึ้นไปเท่านั้น เจ้ลูกป่าทั้งหคู่นั้นก็หาบของกันจ้ำเลี้ยวๆอาจเป็นไปได้ที่เขากับชายยันมั ล, ล้างท้ายอยู่จึงพาพลอยพาให้ลูกหาบหย่อนฝีเท้าลงบ้างขณะนั้นเองทุกคนที่เดินอยู่เบื้องหลังเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มๆสังเกตเห็นดารินสุดตัวลงนั่งคุกเขา่าบางอยู่ที่ปลวกลูกหนึ่งกําลังมีอาการเหมือนจะส่องกล้องจับไปยังป่าโปร่งป่าภายัยโปร่งๆด้านขวามือของหนอนอะไรน้อยเสียงพารานชดวิทยุถามขึ้นไปทันทีเป็อาการของน้องสาวคนเล็ก พวกห่างอยู่เบื้องหน้าบริเวณที่กําลังจะไต่ขึ้นหินกระสู้แม่ลูกอ่อนนอนเกลือกปลักเคี้ยวหนามไผ่ยอยู่ทางด้านขวามือนี่ค่ะห่างจากน้อยลาหกสิบหลาหันหน้ามาทางพวกเราด้วยสองตัวแม่ลูกเท่านั้นระวังน้อยอนุชาหรือพลานชดล่องสั่งทางวิทยุเร็วปรือพร้อมกับหยุดชงักประกาให้คนอื่นหยุดตามไปด้วยเพราะได้ยินเสียงโต้อตอบทางวิทยุอย่างถนัดสังเกตทิศทางลมลมพัดไปทางไหนงอยอยู่เหนือลง ม, มาหรือเปล่าถ้ามันเพนขึ้นมาอย่าทิ้ง ปลวลูกนั้นคอยวิ่งอ้อมหลบตรงปลวกลูกนั้นแหละอย่าพระห่างออกไปดารินลดกล้องมือสองคองคอไว้ทุกคนเห็นหล่อนใช้ฝ่ามือกอบฝุ่นขึ้นมาโปรยและตีสัญญาณมือโดยโบกมือไปทางด้านซ้ายนั่นหมายความว่าให้ทั้งหมดเลี่ยงออกทางด้านซ้ายให้มากที่สุดพร้อมกับเสียงบอกมาเบาๆว่าขณะนี้ลมพัดจากด้านมันมาหาเราเลี่ยงลงทางซ้ายให้มากที่สุดน้อยจะดักไว้ตรงนี้ก่อนพี่ใหญ่กับชา ย, ยันคอยคุ้มกันพวกลูกหาบไว้ที่กลางและลุงอินมาทางด้านน้อยด้วย เป็นแรกสองนอตัวใหญ่มากแล้วเกินถ้ามันชาร์จเข้ามาน้อยไม่แน่ใจว่านัดเดียวจะอยู่หรือเปล่าถ้าได้ปืนคุ้มกันอีกสองกระบอกก็จะอุ่นใจขึ้นยังรวดเร็วทันการชนิดรู้เชิงกันดีที่สุดและเทศถาต้อนพวกลูกหาให้เดินเลี่ยงอ้อมไปทางด้านซ้ายมือห่างไกลออกไปทันทีพร้อมกับขยับลูกเลื่อนขึ้นลัมในระยะที่เว้นหา่างแยกทางกันออกไปนี้ไม่มีพุ่มพงหรือป่ามาบางังพอจะสังเกตบริเวณที่ดารินสุดกายยึดที่มันกันได้อย่างถนัด หากว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถส่งกระสุนไปช่วยเหลือได้ทันการแม้ระยะจะห่างออกมาบ้างมันก็ไม่เกินร้อยห้าหลาเท่านั้นซึ่งอนุภาพขนาดจุดสีห้าแปดกซ์นั่นพอจะช่วยคุมสถานการณ์ได้ส่วนอนุชาแล่นนานอินก็เล่นฝีเท้าวูบุเข้าไปถึงตัวน้องสาวในทันทีช่วไม่กี่อึดใจและก่อนที่จะเข้าถึงตัวทั้งสองก็มองเห็นเป้าหมายแอนไม่น่าวางใจก่อนแล้วจริงอย่างที่ดารินบอกแล็ใหญ่แม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งกําลังนอนเกลือกปลัดโครน เป็นที่สำรานบานใจอยู่กับลูกอ่อนเล็กๆของหมันตามลำพังสองตัวระยะห่างเกือบ0สบหลามองดูครั้งแรกมอนมูลดินกลางปลักเลนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะสังเกตเห็นหูเล็กๆทั้งสองข้างซึ่งนานๆจะกระดิกมีนกบางชนิดเกาะอยู่ตามลำตัวและศีสะกพร้อมกับบินขึ้นๆลงๆขณะที่ทั้งคู่เข้ามาถึงเป็นเวลาที่มันขยับตัวชูคอสูงขึ้นมาอีกและหันหน้ามาทางด้านที่ดารินกับกองคารวาลของเทศา เลี้ยงอ้อมหลีกทางเหมือนจะเพ่งมองด้วยตาเล็กตีของมันแต่ก็ยังไม่สามารถสแสดงปฏิกิริยาอะไรมากไปกว่านั้นเพราะสัตว์ประเภทแลดเชื่อในจมูกมากกว่าสายตาของมันเองและขณะนี้ฝ่ายมนุษย์เป็นฝ่ายอยู่ใต้ลมนอนแหลมคมอันหน้าเหนือดั้งจมูกยาวร่วมศอกทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นแลดตัวเมียส่วนนอหลังสั้นลงมาครึ่งหนึ่งในภาวะเชนนี้ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันได้ว่าเจ้าสัตว์ใหญ่โบราณตัวนั้นจะกระสากลิ่นไอของมนุษย์ขึ้นเมื่อไหร่ หากลมเกิดแปรทิศโดยและโดยธรรมชาติที่มีอารมณ์ร้ายมูุทะิดอย่างปราศจากเหตุผลอยู่ตลอดเวลาของมันยิ่งกว่าสัตว์สีเท้าชนิดใดในโลกนี้ก็อบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะปรีเข้าใส่เมื่อไหรไม่ต้องส่องด้วยกล้องเพียงแค่ตาเปล่าก็มองเห็นกันอย่างถนัดเพราะระยะไม่ห่างไกลออกไปนะลานชดพอย่องกลิบเข้าถึงตัวน้องสาวก็จับปลายดึงให้ยืนขึ้นถอยน้อยก่อนที่มันจะได้กลิ่นแล้วน้อยเดินไปก่อนตรงไปสมทบกับพวกพี่ใหญ่เขาที่จี้อ้อมไปนู่น พี่กับลุงอินจะคุมเชิงไว้ตรงนี้เองแล้วจะค่อยๆถอยตามไปทําไมเราไม่ไปได้วยกันล่ะคะน้อยว่ามันคงยังไม่ลุกขึ้นมาไล่เราหรอกเพราะลมพัดจากด้านมันมาหาเราหลอนกระิบถามพรานชดสันชิสะเชื่อพี่ดีกว่าอย่าให้ต้องมาห่วงหน้าพาะวงหลังอยู่เลยน้อยไปซะก่อนถ้าจําเป็นจริงๆพี่กับลุงอินคล่องตัวกว่าน้อยมากพอน้อยไปได้สักครึ่งทางเห็นว่าปลอดภัยแน่พี่จะถอยตามเราจะไม่ข่ามาันโดยไม่จําเป็นดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายเข้ า, าจากตําแหน่งเดิมที่นั่งซุ่มดูอยู่ โดยใช้ปลวกลูกนั้นเป็นที่กำบังตาและออกเดินเลีว้วตัดทางเข้าไปเพื่อจะบรรจบกับคณะของพี่ชายใหญ่ที่กำลังเดินเลี่ยงอ้อมอยู่ทันทีขณะนั้นสังเกตเห็นเชิฐากับชายยันถือไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือกำลังหยุดยืนด้านหน้ามองอยู่แล้วส่วนพวกลูกหาบก็ถูกขยิ่งตอนให้เลี้วรุดต่อไปอนุชาเวลาลิศก่ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อรีตาหยิบหยีดูแลสองนอต้มหึมานั่นนิ่งพร้อมกับนานอินผู้นั่งยองๆ อ, อยู่ใกล้ๆเสียงแก่บนพึมพำว่าไอ้ทีเวลาจะเจตนาล่าหรือ ก็เดินตามรอยกันเป็นปีข้ามเขาข้ามป่าไม่รู้สักกี่ลูกไม่พบไอเวลาไม่เจตนาจะล่าก็พบกันได้ง่ายๆขนาดมันงามจริงๆในชดอีตัวนี้ได้ละหลายหมื่นแล้วถ้าเอาเข้าไปถึงตลาดในเมืองได้ก็เป็นแสนอาการของครูพานคันไม้คันมือเป็นอย่างยิ่งโชคดีมากที่น้อยตาไาเห็นเข้าใชก่อนลาดพลังเดินเข้าไปใกล้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็แย่ทีเดียวอนุชาว่านหน้ายิงเก่งจริงๆยังกับพานอาชีพกันแหละรู้ด้วยวันแรกหรือกระสู้ คนเคยบุกป่าฝ่าน้ํากับรับพินมาแล้วจนกระทั่งไปตามตัวสองคนออกมาได้ก็ยิ่งกว่าผ่านอาชีพที่เดินเรียบอยู่เฉพาะชายโดงมาตลอดชีวิตเสอีกนายหญิงน่ะในป่าแล้วเป็นผู้หญิงแต่ตัวเท่านั้นไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกกลาพรางรุชาหรืออดีตพลานชดก็ยกวิทยุขึ้นพี่ใหญ่ครับได้ยินมีอะไรผิดสังเกตและยังทางด้านโน้นยังครับมันยังนอนแช่โคลนเฉยอยู่ผมปล่อยให้น้อยไปสมทบกับพวกพี่ใหญ่ก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งประมาททางด้านนี้มีว มีทางด้านนี้มีอยู่สองตัวแม่ลูกเท่านั้นแต่ให้สังเกตไปรอบๆบทุ่งริบบ่าปลวกใกล้ๆด้วยอาจมีตนอื่นเกะกะอยู่อีกกําลังพยายามตรวจหาอยู่เหมือนกันสําหรับทางด้านนั้นถ้าแน่ใจว่ามันไม่ชาร์จเข้ามาก็ถอยได้แล้วกลางเราจะไม่ยิงสัตว์ทุกชนิดโดยไม่จําเป็นน้องชายรับคําและอีกอึดใจอยายกไปสังเกตเห็นน้องสาวคนเล็กเดินเข้าไปเกือบถึงขบวนเชิฐาแล้วอนุชาจึงสกิดไหล น, นั้นอินทําสัญญาณให้ถอยอย่างเงียบกริบเดินตัดป่าปลวกตรงเข้าไปสมทบกับพวกนั้นโดยขณะที่เดินทางจุดจุดเดิมออกมา ก็บอกมือให้ทุกคนบ่ายหน้าเข้าหาป่าภายัยอันขวางทั้งมืออยู่เบื้องหน้าทันทีและขะบวนทั้งหมดที่เดินแยกกันออกไปเป็นระยะระยะก็เข้ามารวมกลันเป็นขบวนเดียวกันอีกครั้งโร่งอกไปทีที่ไม่ต้องฆ่ามันเพราะถ้ายิงแม่ก็ต้องยิงลูกด้วยอนุชาบอกกับพี่น้องและเพื่อนระหว่างที่ก้าวรุดหน้าร่วมหมู่ไปด้วยกันพร้อมกับตำรวจดินบริเวณที่กําลังเดินผ่านกันไปกล่าวต่อมาว่ามีล่องลอยฝนตกใหญ่อาทิตย์หน้าอาทิตย์กว่ามาแล้วย่ากําลังแตกระบาด แล้วมีแหล่งโครนบางแหล่งทั้งๆที่ทระยะนี้เป็นฤดูแรงมากประโยคหลังเขากล่าวขึ้นลอยๆที่เราอ้อมมาทางเส้นทางเดิมของลพินมาแล้วสิใช่ไหมชายันเปรยถามขึ้นก็เลี่ยงห่างกันมาไม่ถึงแค่มากนักหรอกนายทหารเดี๋ยวก็บรรจบพบรอยอีกนั่นแหละในป่าไผ่ข้างหน้ารูพรานเป็นคนบอกเชพถาเอื้อมมือไปตบหลังน้องสาวที่เดินอยู่เบื้องหน้าน้อยตอนนี้เป็นคําสั่งจากพี่นะป่าเริ่มจะทึบ และมีเหลี่ยมมุมบางตาถี่ขึ้นน้อยอย่าเดินโดดเดี่ยวตามนําพังขึ้นไปคนเดียวแต่ให้เกาะหมู่ไปกับพวกเราถ้าจะมีการเดินนําที่ขอให้เป็นกลางหรือลุงอินค่ะตอนรับคาง่ายๆแต่คณะทั้งหมดก็ยังเดินรวมกลุ่มกันอยู่พวกลูกหาบตามหลังส่วนขยินเดินอยู่ท้ายสุดอย่างรู้หน้าที่เพราะได้กําหนดนัดแนะกันไว้แล้วก่อนไม่ว่าจะเคลื่อนไหวกันไปทางใดจะ ต, ต้องมีคนใดคนหนึ่งของฝ่ายนายจ้างเป็นกองระวังหลังดูแลพวกลูกหาบไว้เสมอ เนื่องจากในภาวะที่กำลังแบกหามของอยู่นั้นพวกลูกฮับต่อให้ชำนาญภัยในป่าเช่นไรก็ไม่อยู่ในฐานะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างฉับพลันในวินาทีวิกฤตได้เลยวิธีการเช่นนิดทุกคนต่างเรียนรู้ศึกษาซึมทราบก่บใจดีมาตั้งแต่คราวเดินพลายร่วมกับประพินในครั้งนั้นอันนับเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม45นาทีถัดมาใกล้เที่ยงเต็มทีมองเห็นดงไผ่ทึบอยู่เบื้องหน้าแล้วสิ่งที่ทําความประหลาด เอะให้แก่คณะทั้งหมดก็คือเหนือทองฟ้าบริเวณยอดภัยเรานั้นดำพืชไปหมดด้วยฝูงแรงนับไม่ถ้วนเรากับแรงทั้งป่าบริเวณนั้นทั้งหมดจะมาประชุมเสวนานัดแน่อะไรกันอยู่ที่นั่นกั จ, จะเรียกได้ว่าเป็นพันๆตัวและที่เห็นเกาะทาคอลุปอยู่ตามกิ่งไผ่เต็มไปหมดแลาเป็นจุดดาๆอยู่ทั่วทๆไปทุกคนคอมเมนมองอย่างสงสยัยดารินกับชา ย, ยันใช้กล้องส่องสำรวจด้วยความพิศวง แล้วหันมามองหน้านานอินกับพรานชดซึ่งยืนชะงักไปนิดหนึ่งต้องมองด้วยตาเปล่าอยู่เช่นกันดารินส่งกล้องให้พี่กลางเงีบเยบๆเขารับไปส่องดูแล้วเปล่าลงออกจากปากเบาๆหลุดปากออกมาแต่เพียงประโยคสั้นๆว่าหน้าคิดแฮะพี่ว่าเป็นพันๆตัวเลยนั่นถิ่นที่อยู่ของมันหรือยังไงไม่ใช่ที่อยู่ของมันหรอกครับพี่ใหญ่แล้งอาจอยู่เป็นฝูงแต่จะไม่มากมายเต็มไปหมดเมื่ออย่างที่เราเห็นอยู่นี่ผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติในป่าไผ่ข้างหน้านั่นเสียแล้ว ลาจบอดีตพ ร, รานชดก็ร้องบอกให้พวกลูกหาที่กําลังเดินล้าไปเบื้องหน้าให้หยุดลงก่อนตอนเองเดินเข้าไปที่หอสัมภาระหองหนึ่งทันทีทุกคนเข้าไปมุ่งยังไม่เข้าใจแล้วก็ลืมตาโตเมื่อเห็นหม่อมราชวงศ์อนุชาคว้าเอาเอ็มเจหรือเครื่องยิงระเบิดขนาดสีมเมตรร้องกับกระสุนออกมาสองนัดส่วนเอ็มสิแบบพับฐานส่งแจกจ่ายไปให้แก่ดารินเชษฐาและชายยันคนละกระบอกเฮ้ยอะไรกันนี่กลาง พยายานล่องออกมาอนุชายยืนขึ้นหักลำกล้องเอ็มเจสิบเก้าออกบรรจุ ก, กระสุนด้วยระเบิดสี่สิบมมนัดหนึ่งเข้าลังเพลิงแล้วเปิดลำกล้องลงเอาหัวแม่มือพลักปลดห้ามไกลมีซากตายอยู่ในบริเวณป่าไผ่นั้นเป็นจํานวนมากทีเดียวไม่งั้นแลนจะไม่ลงนะับพันๆตัวแบบนี้บังเอิญขณะนี้เราอยู่เหนือลมมันจึงยังไม่ได้กลิน่นแต่ถ้าเข้าไปในนั้นแล้วคงทนกลิ่นแทบไม่ไหวทีเดียวซากตายซากของอะไร อดีตนาทหารปืนใหญ่ละล่ำละลักเอามาเร็วปรือสีหน้าของทุกคนงงงันไปหมดใครจะรู้ได้จงกว่าจะเข้าไปเห็นแล้วนั่นแกจะทำอะไรงัดเอ็มเจสิบเก้าเอามาทำไมรวมทั้งเอ็มสิบที่เอามาแจกพวกเรานี่ด้วยทั้งหมดเริ่มละส่ำละสายไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเห็น อ, อากับกริยาของอนุชาที่เขาตอบเรียบเรียบว่าเมื่อมีซากตายมากแล้งก็แห่กันมามากอย่างที่เห็น แล้งมันไม่ทำอะไรเราหรอกนอกจากจะก่อความรำคาญแต่สัตว์บางชนิดที่เขาเอามาใสากินซากอยู่นั่นด้วยอาจโจมตีเราได้เป็นต้นว่พวกหมาป่าหรือหมาในทั้งฝูงนับเป็นร้อยๆตัวขืนพรวดพ ร, รานเข้าไปตอนนี้พวกเราอาจถูกโจมตีได้และอาจยิงด้วยปืนล่าสัตว์ไม่ทันขอเคลียร์บริเวณล่ให้พวกมันกระจายไปเสียก่อนด้วยเครื่องยิงระเบิดนี่สักสองลูกจะปลอดภัยกว่า กาวจบอนุชาวราริสก็ประทับเครื่องยิงระเบิดขึ้นไหลดารินก็โดดเข้ายึดแขนไว้ทันทีร้องลั่นเดียวพี่กลางยิงระเบิดเข้าไปได้ยังไงเผื่อพวกพวกระพินอยู่ในนั้นมิตายกันหมดหรือพี่ชายกลา ง, ขงรขาเล่าคืออยู่ในลําคอไม่ต้องห่วงหรอกถ้ากระพินหรือพวกของเขาอยู่ในนั้นก็แปลว่าป่านนี้เน่าไปหมดแล้วและกําลังเป็นเหยื่อของฝูงแล้งเหล่านั้นอย่างเก่งก็อาจเหลือแค่กระดูกไว้ให้เราดูถ้าเขาและแพวกเขาตายแล้วก็จะไม่มีการตายซ้ําเพราะระเบิดหรอก บอกแล้วว่าจะคอเคลียรบริเวณก่อนไม่งั้นพวกเราจะเข้าไปไม่ได้มันอันตรายมากและอนุชาหรืออดีตพลานชดก็ประทับ M79 มเิขึ้นอีกครั้งบายป่ากระบอกประมาณ30องศาจากระดับพื้นมุ่งตรงไปยังบริเวณป่าไผ่ที่เห็นฝูงแหลงนับพันทั้งบินว่อนทั้งเกาะ อ, อยู่เต็มไปหมดนั้นระยะมันทางประมาณ300หลาจากตำแหน่งที่ยืนกันอยู่และแนวของป่าไผ่ที่ขวางหน้าทุกคนนั่งลงก่อนเขาร้องสั่งทั้งหมดสุดตัวลงนั่งกับพื้นทันทีตามคําสั่ง หมอมลาชวงอนุชาคำนวณเป้าหมายในการยิงในระดับโดงให้ย้อยตกเข้าไปกลางภัยโดงทึบที่เห็นฝูงแ้งหนาแน่นมากที่สุดนั้นตั้งศูนย์ระยะสามร้อยห้าสิบลาแล้วเหนียวไกลเสียงเอ็มเจ็ดสิบเก้าแนบรูปหัวระเบิดดังเปาะทันทีที่เข็มแทงชนวนเจาะแกลบท้ายและโดยตำแหน่งที่ทุกคนรวมกันอยู่ต่างแลเห็นท้ายกระสุนเป็นจุดดำๆวิ่งโดงโค้งเข้าหาป่าไปอย่างถนัด เพราะความเร็วของมันแค่สามร้อยฟุตต่อวินาทีเท่านั้นอึดใจใหญ่ทีเดียวนับตั้งแต่มันพุ่งพ้นปากลํากล้องออกไปจึงปรากฏเสียงคลืม่มดังแว่วสะเทือนออกมาเหมือนใครจะเอาระเบิดมือเข้าไปปาอยู่ในดงนั้นความทึบและยอดสูงของป่าภายัยทําให้ไม่เห็นว่าจะมีอะไรพิฆาตย่อยยับไปบ้างมีแต่อนุภาพของเสียงที่สั่นสะเทือนมาให้ได้ยินเท่านั้นแต่สิ่งที่ติดตามมาทันตาก็คือบรรดาแรงฝูงใหญ่ที่เกาะบ้างบินบ้างอยู่ในเรแวกนั้น บังเกิดอาการแตกตื่นโกลาหนอนละหมานส่งเสียงร้องแส้ซ้ำพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดมัวไปหมดจํานวนมากเสีกว่าที่มองเห็นแต่แรกเะอีกลูกลูกหาบนานอินและขยินไม่เคยได้ยินเสียงสะเทือนแผ่นดินของระเบิด40่ ส, สมอมอมาก่อนพากันร้องฮื้อและจ้องเขม็งไปยังป่าไผ่นั้นเป็นตาเดียวอนุชาเกลียรีนออกมาแจริมฟิปาหักลํากล้องปืนอันมีลักษณะเหมือนลูกซองเดียวบรรจุเดียวดีวดปลอกกระสุนเก่าที่ยิงแล้วให้กระเด็นพลัวออกมาจากหลงังเพลิง และยัดลูกที่2เข้าไปอย่างใจเย็นปิดลำกล้องปลดเซฟประทับไรอีกครั้งคราวนี้เขาเบี่ยงทิศทางเล็กน้อยเพื่อที่จะให้อนุภาคของ M อ็แจกไปทั่วบริเวณอ น, นาบริเวณที่ต้องสงสัยนั้นและเหนียวกะอีกเป้าหนึ่งท้ายกระสุนหินจุดดำๆที่ลอยด่งริ้วๆพุ่งขึ้นไปยังบริเวณนั้นอีกพร้อมกันช่วง 2- อสาพริบตามันก็คลื่นขึ้นเป็นวาระที่2อคราวนี้อาจเป็นได้ที่หัวกระสุนชนิดกระทบแตกไม่ทันจะหล่นลงถึงพื้น แต่กระทบกิ่งภัยเข้าเะก่อนเปลวไฟจึงแลบวับแดงฉานพร้อมกับกิ่งใบแผ่กระจายว่อนท่มกลางม่านควันสีเทาเๆเยา ว, ว่าแต่แรงหนักพันๆเหล่านั้นเลยก็ให้สัตว์ใหญ่ขนาดช้างทั้งโขงถ้าหากอยู่ในละแวกนะั้นก็จะต้องแล่นกันโตดี้ตะจากกำปํานาดของอาวุธสงครามมันไม่ถึงกับหนักน่วงอะไรนะแต่ไม่เบาเสีทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาพจากเสียงระเบิดและสะเก็ดที่ปลูกระจายไปรอบทิศทั้งหมดเงียบกันไปชั่วขณะ มองดูความมุ่นวายจ้าละวันของฝูงแรงที่พากันบินแต่คือและโผขึ้นสูนภพอากาศเบื้องสูงอย่างชนิดตัวใครตัวมันท้องฟ้าเหนือป่าภัยบริเวณ น, นั้นแลดูมืดมัวไปหมดเชื่อว่าคงไม่เหลือตัวใดที่จะบังอาจเกาะตามกิ่งไม้หรือลงจิกกินซากที่สงสัยว่าจะอยู่ในดงนั้นได้อีกต่อไปเพราะความตกใจต่อเสียงและแม้ว่าเบื้องล่างในดงจะผสมลงอยู่ด้วยฝูงหมาป่าหรือหมาในตลอดจนสัตว์ร้ายเป็นฝูง อันพรานชดหรือหมอมลาชวงอนุชากับพวกสงสัยอาจมีอยู่ก่อนแล้วพวกมันก็จะต้องเล่นกันป่าล่าอนุชานั้นหลังจากที่ยิงนัดที่สองไปแล้วก็ส่งปืนให้ใชัยยันตนเองปลดกระติกหน้าออกมาเทกลัวคอนิดหนึ่งตายยังจับอยู่ที่ป่าไัยเบื้องหน้าควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบเห็นกันไปหมดแล้วโอ้โหก็เห็นมันบินขึ้นมาไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมากมายถึงขนาดนี้ไม่รู้สักกี่พันตัวเชิดาอุทานออกมาจุ ป, ปากลัน่น ลอยสักครู่ครับแล้วค่อยเข้าไปปล่อยให้มันบินหนีไปให้หมดซสก่อนถ้าไม่ได้ระเบิดแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะขับไล่มันหนีออกไปได้แล้วก็หันมายิ้มกับน้องสาวซึ่งกําลังยืนซอยเปลือกตาทีทีอยู่พูดสะพยอกว่าแต่ขอโทษทีนะน้อยถ้าบังเอิญย่อชายในพรานของเธอดันเข้าไปนั่งดมกลิ่นซากเน่าแล้วคุยอยู่กับฝูงแรงพวกนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็คงเละไปแล้วได้สเก็ดระเบิดพูดแบบว่าพี่กลางคนยิ่งใจไม่ดีอยู่ด้วย ดารินบนออกมาเบาๆและเอื้อมมือมาคว้า M อ็มเจากมือชา ย, ยันบอกว่าไหนขอลองสักนัดสิไม่เคยยิงมาก่อนเลยไอเจ็ด้าทางจะมันดีพี่ลึกพี่ชายกลางสัญจิสะบอกว่ามีลูกกันมาไม่มากนักสงวนไม่ใช้ยาจําเป็นดีกว่าแค่2ตูมบริเวณนั้นทั้งหมดก็สะอาดพอสมควรหมายถึงว่าถ้ามีสัตว์อะไรเกะกะอยู่อีกก็เปิดหมดเอาไว้จําเป็นจริงๆแล้วค่อยยิงน้อยมีหวังได้ยิงแน่ถ้าเราตามเราพินทันเมื่ อ, อไร และการเจราจากับอเมริกันพวกนั้นไม่เป็นผลภาวนาไว้ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยชัยยันว่าเรามีไอกระบอกรูปล่างตลกๆอย่างนี้มาสองกระบอกไม่ใช่หรือคะดารินยกเครื่องยิงระเบิดลักษณะเหมือนปืนลูกซองสั้นแต่ลํากล้องโตขึ้นดูอย่างสนใจเพราะก่อนออกเดินทางมาหลอนไม่ได้ทําความรู้จักเพื่อสนใจกับมันมาก่อนเลยใช่2กระบอกแต่อยู่ในหอนั้นอีกกระบอกหนึ่งคุณอณําพลจัดเตรียมหาไว้ให้ครบตามที่สั่งนั่นแหละกระสุนหรือลูกระเบิด ที่จะใช้กับมันละคะกระบอกละสามสิบนัดรวมเป็นหกสิบเป็นหัวระเบิดเสียอย่างละยี่สิบหัวเพลิงอีกอย่างละสิบก็พอได้สัดกันนั่นแหละที่มากันคราวนี้นะกองเจรหรือหน่วยคอมมานโดเราดีๆนี่เองพร้อมที่จะปะทะหรือโจมตีได้ทุกขณะไม่ว่ากับคนได้การหรือกับสัตว์และเชื่อว่าพวกที่เอาตัวระพินไปด้วยก็คงไม่ได้ด้อยไปกว่าเราหรอกตกลงกันได้ก็ดีไปแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้มีหวังแหลกกันไปข้างหนึ่งพูดจบอ น, นุชาก็หัวนล็อกเสียงพิกลนอยู่ในลําคอ ถ้างั้นสอนน้อยไว้ก่อนเถอะค่ะน้อยยังไม่เคยยิงรู้จักกับไอกระบอกพันนี้มาก่อนเลยง่ายๆจะยิงปืนลูกซองเดียวแบบลูกทุ่งได้ก็ยิงเครื่องส่งระเบิดเจ็ดนี่ได้ลักษณะการใช้งานก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นแหละพยัยบอกพร้อมกับช่วยเอ็มเจ็ไปอธิบายให้เพื่อนสาวฟังนี่ทำงี้หักหางปลาหรือหางเดี่ยวบิดไปทางขวาเหมือนลูกซองเดียวหรือแฟ แล้วตบลำกล้องให้หักลงลูกยัดเข้าไปในลำกล้องแล้วหักคืนเข้าที่ห้ามไกลบนคอปืนนี่จะเข้าเองโดยอัตโนมัติทันทีที่เราหุบลำกล้องปิดสนิทลงเวลาจะยิงก็ผลักห้ามไกลออกเสียก่อนระยะยิงวิถีลาบเหมือนปืนธรรมดาไม่ควรเกินร้อยหลาใช้ศูนยปกติของมันแนงทิบสะท้อนถอยหลังต่ำกว่าลูกสองนิดหน่อยแต่ให้ระวังตัวเองเพราะพวกและพวกเราไว้ด้วยเพราะถ้าระยะยิงไกลเกินไปนักเช่น50าสิบถึงหกหลา หาตัวเองหรือพวกเราอยู่ในรัศมีสเก็ตระเบิดอาจเปรียวมาถึงได้ถ้าจะยิงไกลแบบหยอดก็เอาแท่นศูนย์กลางลำกล้องหนีขึ้นร่นปรับระยะศูนย์ได้ตามอัตราที่บอกระยะไว้ระยะไกลสุดไม่เกินเกินหกร้อยหลาวัตถุลึกสานที่ก็ไม่เป็นอันตรายมากนักเพราะหัวระเบิดเล็กแต่สเก็ตจะแยกออกไปทางรอบทิศจุดประสงค์ทําลายคนมากกว่าทําลายบังเกอร์เป็นหัวกระทบแตกเลยใช่เป็นหัวกระทบแตก ชนวนที่หัวจะเริ่มทํางานเมื่อกระสุนบิดตัวครบรอบของมันตามปกติแล้วก็จะพ้นจากลํากล้องเพียงแค่สิบฟุตเท่านั้นมีอะไรบังหน้าอยู่ชนเข้าระเบิดทันทีอย่าคิดว่าสิบลาหรือสิบเมตรอย่างที่คนบางคนเข้าใจกันนะความจริงมันอามหรือชนวนระเบิดทํางานเมื่อพ้นลำกล้องแค่สิบฟุตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลายิงในป่าที่ให้ระวังว่ามีอะไรขวางหน้าอยู่ใกล้ๆด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ยิงฝ่าพุ่มไม้ออกไป กระสนยังไม่ทันพ้นตัวไกลกระทบกิ่งเล็กๆกีดขวางมันอยู่บึมเข้าหาตัวเองเสียก่อนเพราะฉะนั้นระวังข้อนี้ให้จงหนักใช้เป็นก็ได้ประโยะชน์ใช้ไม่เป็นดเข้าใจผิดๆตัวเองก็จะรับเคราะแทนอย่าเรียนเริ่มให้ความสนใจทันทีรับมาทดลองหักลังกล้องรับปิดปรดห้ามไกลกระทับกระทับไหลประทับไหลและเหนี่ยวไกลยิงแห้งดูดายฟลายดูเอาละพอเข้าใจแล้วทีนี้ว่าถึงความแม่นยํา ในวิธีลาบไม่เกินร้อยลาถึงแม้จะเป็นเครื่องยิงระเบิดก็แม่นยำไม่เร็วทีเดียวพอๆกับการยิงปืนลูกซองชนิดลูกโดดนั่นแหละและจําไว้ว่าถ้าจะยิงในวิธีลาบชนิดเล็งด้วยศูนย์ระยะต่ําสุดตัวเองจะต้องมีที่กําบังก่อนยิงใกล้เข้าเท่าไหร่ที่กําบังก็จะต้องแข็งแรงขึ้นเท่านั้นรากไม้ใหญ่ๆต้นไม้โตๆหลังโขดหินจะยืนยิงแบบลูกซองหรือลายเฟิรนธรรมดาเป็นอังคาเพราะอย่างที่บอกแล้ว รัศมีระเบิดกระจายรอบทิ่ไกลถึงห้าสิหกสิบหลาเป็นระเบิดสังหารสเก็ตเลียดกับพื้นชิ้นส่วนสเก็ตลักษณะเหมือนสปริงขดลวดคมคมชิ้นเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อจะแจกจ่ายเอาไปยังทั่วถึงในการทำลายหมู่คนถูกจังตายทันทีไม่จังก็บาดเจ็บพิการเพราะสะเก็ตเล็กๆปลิวเข้าไปฝังชายยานะันอธิบายอย่างรวดเร็วในฐานะที่ชนานาญอยู่ก่อนแล้วแล้วยักหน้ากับอนุชาดีดนิ้วแบวมือออกไป อยากขี้เหนียวลูกนักเลยในกลางขอสักนัดเถอะฉันจะให้น้อยทดลองกับมือเองก่อนทอําไม่งั้นเวลาใช้งานจริงอาจไม่ได้ผลอีกสักนัดมันคงไม่เปลืองอะไรนักหรอกพวกเราสามคนนะไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันเป็นห่วงลายนี้เกิดจาเป็นขึ้นมาแม่เจ้ประคุณคว้าไอ้เหนียวมาใช้เมื่อไร่ความที่มีรู้แล้วไม่เคยมาก่อนจะพลอยทําให้ตัวเองหรือพวกเราปนปีปรร่ซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นให้เขาลองด้วยมือเองสักนัดก็แล้วกันอนุชาปลดลูกจากสายสพายส่งให้กับชายยันนักหนึง่งเอา้าตามใจจะลองดูก็ได้ ชายยันรับมาเดาะในมือแล้วเข้ามายืนประกบด้านขวาของราชสกุลสาวไว้ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงร้อมกันก็โบกมือไล่ให้พวกลูกหาเข้ามามุงดูอยู่ให้ลีค้างถอยหลบไปทางด้านหลังเอาละน้อยฉันจะให้เธอทดลองยิงดูอดีตทหารปืนใยญ่เอ่ยขึ้นช้าชัดเจนเป็นการยิงในระดับแนวลาดเพื่อทดสอบความแม่นยําและอานุภาพของระเบิด40มเมตรนี่ด้วยเราจะลองกันเดี๋ยวนี้เลยเธอพร้อมแล้วยังดาเรียนรังเรียอยู่คู่เม้มปากพยักหน้าโอเคพร้อม ต้นไม้คือลําต้นของต้นไม้ที่ยืนตายซากอยู่บนเนินนั่นกะระยะถูกไม่ห่างจากนี่สักเท่าไหร่ก็เห็นจะไม่เกินร้อยยี่สิบลาแต่ไม่ต่ํากว่าร้อยหลากระมังถูกต้องเป็นการคํานวณที่ใกล้เคียงมากลําต้นของต้นไม้ที่ยืนโดเดอ ย, อยู่นั่นฉันกะว่าขนาดเสาหน้าแปดลำต้นมันก็คงจะไม่แข็งแรงอะไรนักหรอกเพราะเป็นไม้ผุไม่ต้องเอาศูนย์ระยะขึ้นไกลขึ้นหรอกใช้ศูนย์ธรรมดาของมันนั่นแหละเล็กยิงโดยกะกลางลําต้นเข้าใจไหม ให้ศูนย์ธรรมดาของมันนั่นแหละเล็งยิงเลยกะกลางลําต้นเข้าใจไหมเข้าใจทําตามลําดับที่ฉันบอกไปทีละขั้นบิดหางเหี่ยวหักลํากล้องลงดารินปฏิบัติตามทันทีอย่างคล่องแคล่วพอลํากล้องหักลงเหมือนปืนลูกซองบรรจุเดียวมนันก็ยกขึ้นสองดูในรูลํากล้องขนาดสีมเมตรนั้นด้วยนิสัยอันละเอียดแลเห็นขาวเป็นเงาวับและเส้นเกลียวมิตรของลํากล้องซึ่งขณะนี้พิเศษดินขับจากอย่างติดต่อกันสองนัดของอนุชาย ติดทิ้งเป็นคราให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อชายยันส่งกระสุนระเบิดนัดนั้นให้หล่อนก็รับมาพิจารณาแล้วค่อยยัดลงไปยังโคนท้ายลำกล้องรางหันมามองหน้าเพื่อนชายก็สั่งต่อมาพับลำกล้องกลับคืนไม่ต้องแรงนักแต่ยายเหยาะแยะเกินไปให้ลำกล้องล็อกสนิทกับโครงปืนมันจะสนิทหรือไ ม, ม, อไม่ให้สังเกตดูที่หางเหี่ยวมันจะสนิทหรือไม่ให้สังเกตดูที่หางเหยี่ยวหากดีดกลับมาอยู่ในแนวตรง และลิมที่ล็อกลำกล้องคืนสนิทเข้าที่ก็แปละว่าลำกล้องสนิทแล้วจากพื้นฐานที่เคยเป็นนักยิงปืนชั้นดีมาก่อนแล้วดารินตบลำกล้องคืนเข้าที่เสียงดังฉับยังไงต่อไปค ร, คราวนี้เธอก็พร้อมที่จะยิงอะไรได้แล้วเ<ร>พียงแต่ผลักตุ่มห้ามไกลบนคอปืนให้เลื่อนไปข้างหน้าเท่านั้นลาสกุลสาวยิ้มเลียนๆมองซ้ายมองขวาเห็นพี่ชายทั้งสองยืนประกบอยู่เบื้องหลังส่วน ห่างหลังออกไปอีกเล็กน้อยพวกลูกหาบและขยินและหนานอินก็ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ยกเว้นชายันคนเดียวที่เข้ามาเคียงประกบข้างเอาแล้วนะเอาเลยอย่าลืมหมายกลางลำต้นนะเลงยังไงล่ะเหมือนศูนย์ปืนธรรมดา น, นั่นแหละสำหรับระยะขนาดนี้มันไม่ถึงกับโพล่เมนเคกเก๋หัวไหลสุดไปนะหล่อนถามออยออยยังไม่แน่ใจชายันหัวเราะ ไม่มีใครยอมให้เธอเสียงถึงขนาดนั้นหรอกน้อยยิงดูแลจะรู้ว่ามันเบาวกว่าลูกซองชาวบ้านซะอีกและเบาวกว่าสามร้อยเวแม็กของเธอมากนะดารินสูตรลมหายใจลึกยกผ่านท้ายขนาดกระทัดรัดขึ้นประทับลอกไหลแล้วหัวแม่มือก็ผลักคันห้ามไกลที่ถอยหลังมาเองโดยตโนมัตให้เคลื่อนไปข้างหน้าจากนั้นหล่อนก็เล็งทุกคนเงียบกริบชยันคงยืนเป็นพี่เลี้ยงอยู่ระยะใกล้บอกตําๆ ต, ต่อมาว่า อันตรายมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นน้อยสมมุติว่าเธอเล็งเป้าหมายนั้นและวผ่าตกใจและตกไกลปืนโดยปากกระบอกปืนทิ่มต่ําลงมากระสุนดดวยกระทบพื้นข้างหน้าห่างแค่ยี่สาสิลาพวกเราที่ยืนอยู่ด้กันที่แหลมหมดรวมทั้งตัวเธอโดยมีหวังเจ็บหรือตายกันหมดฉันคงไม่ไซส์หรือปอดแห้งถึงขนาดนั้นหรอกแต่ยิงละเธอเอาไปห่างหางนิดชัยยันเพื่อนชายเก้าห่างจากวันไป1นเก้ายื้อหลังมาเล็กน้อยราสคุณสาวเล็งแน่วแน่และน้า ว, ว, ว, วกายอย่างบรรจง เมื่อเห็นว่าศูนย์อยู่ในระดับเาะเสียงกระสุนถูกจุดชนวนแล้วทยานผ่านพ้นป่ากระบอกไปพร้อมกับควันที่พุ่งตามหลังเล็กน้อยไหลของหล่อนยวบนิดหน่อยเท่านั้นจากแรงสะท้อนถอยหลังและวิปตาเดียวเท่านั้นเนื่องจากระยะไม่ไกลเกินไปนะและเป็นการยิงตรงโดยไม่จําเป็นต้องเผื่อโคง้งเสียงแผดระเบิดคราวนี้มันเกือก้องราวกับฟ้าผ่าจนตัวเองยิงก็สะดุ้งภาพที่เห็นไม้ยืนต้นผุผุ ที่เห็นโดเด่นอยู่บนเนินใกล้ๆกับป่าภัยนั้นปรากฏเปลวไฟแดงว่ากลางลําต้นอย่างจังแล้วมันก็หักโค่นพับกอนบนถล่มลงมาทันทีลาวกับขวานยักษ์จามรือวมิฉะนั้นก็ใครเอาใจน้ไม้ไปฝังไว้ตรงกลางลําต้นนั้นคำปน้าเสียงของมันครืนดีเลือประมาณเสียงพวกลูกหาโผลกันเกลียวกราวดารินยิงเอ็เจ็เป็นครั้งแรกและยิงได้แม่นยามราวกับจับวางจนตัวหล่อนเองก็งงอยู่เหมือนกัน ยืนมองดูต้นไม้ที่ขาดหักไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับรอยอันยับเยินนั้นอย่างแทบไม่เชื่อในสายตาตายปืนมันแม่นพอๆกับไลเฟิลเลยทีบก็ไม่ถีบดีอะไรอย่างนี้แบบนี้ให้ยิงต่อกันสักร้อยนัดก็ยังไหวรอนอุทานออกมาพร้อมกับหักลำกล้องรอกกระสุนขนาดคือหลังกระเด็นเพราะออกมาอนุชาก็เข้ามาฉวยหมับคืนไปทันทีพอพอแล้วแม่คุณกระสุนยิงหายยากๆอยู่ด้วยเอาแค่นี้แหละ มันก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพียงแต่ถ้าจะใช้งานตอนจําเป็นจริงๆก็ให้ระวังตัวเองและระวังพวกเราอย่างที่ชยายันบอกก็แล้วกัน <Yes. S 1> เกี่ยวกับสเก็ตระเบิดอนุภาพของเสียงระเบิดที่ดังซ้ําเป็นนัดที่สามช่วยขับไล่ฝูงแรงนับพันๆที่บินแตะคือขึ้นสูงขึ้นที่สูงใบหน้าพระนี้อยู่ก่อนแล้วให้ต้องโกยอ้าไปทั้งฝูงยังไม่คิดชีวิตดาวรินหัวเราอออกมาเบาๆหล่อนพอใจในความนิ่มนวลและอนุภาพเฉียบขาดของมันเป็นอย่างยิ่ง ท, ทั้งที่ไม่เคยสนใจมาก่อนและเพิ่งจะเข้าใจเอเดียวนี้เองว่าเกตใดพี่ชายและเพื่อนจึงตระเตรียมเครื่องยิงระเบิดชนิดนี้ติดตัวมาด้วยมันเป็นอาวุธสงครามกึ่งหนักกึ่งเบาในด้านอนุภาพสําหรับพิฆาตคนโดยตรงทีเดียวน้ําหนักของตัวปืนเองเบาสั้นกระทัดรัดไม่เป็นภาระอะไรทั้งสิน้นและที่พิเศษเหนะืออื่นใดก็คือเสียงที่คมขวัญเป็นอย่างยิ่งควันสีเทาๆอย่างขงโมงอยู่ตรงตําแหน่งที่กระสุนแล่นเข้ากระทบ และระเบิดจุดนั้นร่อนส่องกล้องมองแล้วเป่าลอมออกจากปากพึมพำไฟทําท่าจะลุกด้วยสีหน้ากลัวจังแล้วโน่นยีแรงบินหนีกันไปหมดแล้วไปคราวนี้เราไปบุกตรงไผ่นั่นได้แล้วเดี๋ยวเห็นเองแหละว่ามันเป็นอะไรแรงมันถึงลงมากมายถึงขนาดนี้เจตถาประกาศขึ้นพร้อมทั้งโบกมืออนุชากับนานอินก็เดินพุ่งตัดไป ไตเนินเข้าหาจุดหมายนำหน้าไปก่อนทันทีร้องบอกพักพวกมาว่าสไปร์ไลเฟิรไว้ก่อนถือเอ็มสิไว้ถ้าเผื่อมีไอสัตว์ดุร้ายประเภทกินเนื้ อ, อยังเหลือเกะกะหรือแตกพรานอยู่ในนั้นเห็นเราแล้วเข้าโจมตีไลฟเฟิรยังไม่ทันหรอกต้องล่อมันด้วยไอนี่เลยพยินบอกให้พวกลูกหาเตรียมลูกซองประจำตัวไว้ด้วยประโยคหลังก็ันเป็นตะโกนบอกเจ้าดีนักเลงโตหลุมช้างที่คุมอยู่เบื้องหลังเชธฐาดารินและชายยานันสะพายไลฟ์เฟิร ขนาดหนักประจําตัวขึ้นไหลแต่ชากลูกเลื่อนขึ้นลำเ M ็มสิบหกแบบคอมมานโดแล้วเข้าห้ามไกลไว้ถือในลักษณะเตรียมพร้อมเดินเป็นหน้ากระดานตามหลังกันไปในทันทีและขณะนั้นเองก็มีเสียงร้องบอกอะไรกันเออาจจากพวกลูกหาเบื้องหลังทุกคนหันกลับมาก็เห็นท้องทุ่งริบๆอยู่เบื้องหลังนั้นแลดสองตัวแม่ลูกกาลังวิ่งผูุ้เรงปุรเงปรเงตัดทุ่งไปยังตกใจที่มันตกใจก็เพราะคงจะเนื่องจากเสียงคํารนของเอ็มเจบเกนั่นเอง เป็นการวิ่งด้วยความตืนตัวหนกปลายหน้าหางไกลดิฟออกไปคนละด้านคนเหลี้ยวมาดูมันอย่างขันขั น, ขนแล้วคนเอ็นดูทั้งคณะปลายหน้าใกล้ป่าทึบทะมึนเข้ามาเป็นลําดับแลเห็นเขียวชะอุ่มไปหมดแล้วยิ่งใกล้เข้ามาก็ยิ่งเห็นร่องรอยของพื้นเปียกแฉะอันเกิดจากฝนที่เคยตกอย่างหนักไว้อาจหลายวันมาแล้วแต่ก็ยังคขังอยู่ตามปรักที่ลุ่มทั่วไปดงไผ่เองก็แลดูชุ่มชื้น อุ่มใบลมยังพัดจากด้านฝ่ายมนุษย์เข้าไปยังแนวป่าไผ่อันกว้างใหญ่หวางสกัดหน้าอยู่จึงยังไม่กระสากับกลิ่นไอใดๆทั้งสิ้นและทุกสิ่งทุกอย่างภายในความทึบทะมึนนั้นก็ดูจะสงบราบคับไม่มีอะไรกระโตกกะอนุชากับนานอินผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าบาัดนี้กำลังด่อมด้อมมองๆ ม, มีอาการเหมือนจะสารวจหาทางด้านที่จะเป็นช่องผ่านเข้าไปยังบริเวณป่าไผ่อันกว้างใหญ่นั้น และมีอาการยังไม่แน่ใจบางอย่างส่วนดารินโบกมือเรียกขยินให้แยกออกไปทางด้านซ้ายโดยมีเจ้านักเลงโตหล่มช้างเป็นเพื่อนไปกับหล่อนระหว่างที่พี่ชายใหญ่ชายยันและขบวนลูกหาบยังเดินตามเว้นระยะมาเบื้องหลังพบลอยเท้าลุ่งรอยอะไรพวกนั้นอีกบ้างไหมเสียงเชิดถาวิทยุถามมามันดังขึ้นทางด้านดารินและนุชชาซึ่งแยกทางออกเป็นกันคนละทิศละทางท้งนี้ผมกับนานอินไม่มีวี่แววอะไรเลยครับ พื้นมีรอยฝนตกก็จริงแต่เข้าใจว่าจะตกหลังจากที่พวกนั้นผ่านเข้าไปแล้วน้อยทางปีกซ้ายที่แยกไปนั่นมีอะไรบ้างไหมเฉพาะทางด้านนี้ทึบแล้วเกินหาทางด่านที่จะเข้าไปไม่ได้เลยประโยคหลังอนุชาพูดถามไปทางน้องสาวเล็กพี่การกับลุงอินเลิกค้นหาทางด้านโน้นได้แล้วค่ะส่วนพี่ใหญ่ให้คุมพวกลุงหามาทางด้านน้อยกับขยินนี่แล้วพบเส้นทางด่านขนาดใหญ่พอที่ช้างจะลอบเข้าไปได้จะลอดเข้าไปได้แล้วและที่แน่แนก็คือพบก้นซิก้าของพวกนั้น ยิ่งอยู่ริมทางนี่ก้นหนึ่งพวกเขาตัดเข้าทางเส้นทางนี้แน่นอนเสียงแสดงการตื่นเต้นรีบโดยของดารินบอกไม่อย่างรวดเร็วและตัวหล่อนเองกับขยินก็ปักหลักรออยู่ตรงนั้นเชดิดขาต้อนลูกหาใบาหน้าไปทางด้านดารินทันทีส่วนอนุชากับนานอินก็เรียบชายดงเข้ามาสมทบแต่ว่าอีกประมาณยี่สิบเก้าทุกฝ่ายจะเข้ามาถึงดารินก็พยักหน้ากับขยินก้าสวบสบสบตัดเข้าเส้นทางการที่นำทะลุเข้าไปในดงภายอันครื้มสรัวนั้นทันที มันเป็นเส้นทางเดินเลี้ยวรัดไปมาเหมือนมีคนมาตัดเส้นทางไว้ให้ไรห ล, ลอนสไพไรเฟิลที่เคยใช้ประจํามือส่วนมือทั้งสองกระชับ M16 แบบคอมมานโดในลักษณะเตรียมพร้อมสายตาคมวายกวาดไปรอบด้านอย่างระมัดระวังเต็มที่แต่อันจากเนื่องมาจากระเบิดจากเอ็เซ็ดสิที่อนุชา ย, ยิงเคลียร์มาทางเข้ามาก่อนแล้วทําให้ไม่มีอะไรกระตุกกระตากเลยแม้แต่จักจันื่อรเลิดจก็ยังร็จเจ็สงบเสียงร้องกลายเป็นความเงียบสงัด นอกจากลมพัดกิงภัยเสียดสีกันดังออสแอดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นรูปนั่นเองลมก็พัดโ ช, ชยมาจากเบื้องหน้าทั้งดารินและขยินทำจมูกฟุดฟิตขยินชี้มือไปทางด้านหน้ามีอะไรตายแนา่อยู่ข้างหน้าเราไม่หางนี่แลนายหญิงเบื้องหน้าที่เผชิญอยู่เป็นกอไผ่ใหญ่ทางด่านแยกอ้อมไปทางซ้ายและขวามือเราจะอ้อมไปไอ้กอทึบข้างหน้านี้ไปทางด้านไหนดีซ้ายหรือขวามือราชสกุลสาวกระซิบถามขยินร่อนจมูกสูตรดกินและบุ้ยไปทางขวา เราไปกันทางด้านนี้เธอนายหญิงกลิ่นมันแรงมาจากด้านนี้แต่ให้แน่นอนที่นี่นายหญิงให้พานชดกับพวกนั้นทั้งหมดลองล้อมไปทางด้านซ้ายแล้วต้องแยกกันช่วยคนจะได้พบเร็วขึ้นดารินยกวิทยุขึ้นทันทีน้อยกับขยินจะไปท า, ทางด้านด้านขวามือนี่นะคะพี่กลางลุงอินและทุกคนไปทางด้านซ้ายเชื่อว่าหลังคอภผยนี่คงจะมีทางบรรจบที่เราจะพบกันได้เองทุกคนได้กลิ่นซากเน่าแล้วยังคะได้กลิ่นแล้วเนธาเป็นคนตอบมาโดยเร็วพร้อมกับบอกต่อมาว่า จะไปทางขวามือก็ไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละจะไม่อ้อมไปคนละทางเพราะมันอันตรายเกิดอะไรพรวดพลาดออกมาแล้วมีการยิงขึ้นลูกกระสุนอาจผ่านกอไผ่ไปถูกพวกเรากันเองได้ไปทางเดียวกันยังพอมองเห็นตัวและพวกข้างหน้าก็คอยระวังวิถีกระสุนแต่เฉพาะด้านหลังฝ่ายเดียวกันเท่านั้นถ้ามีที่กําบังตาและเดี๋ยวเจอลูกปืนกันเองเข้าให้เท่านั้นพี่ชายใหญ่ของคณะรอบครอบเสมอ บุคลิกประจําตัวของเขาในข้อนี้ไม่เคยสูญเสียหรือขาดหายไปเลยรอมกันก็สั่งให้อรุชาและหนานอินสืบเท้าไล่หลังดารินกับขยินให้กระชั้นเข้าไปอีกกลิ่นเน่าโชยแรงขึ้นทุกขณะแล้วชั่วโมงแล้วชั่วไม่กี่อึดใจของการเดินไปตามเส้นทางด่านซี่ขวามือนั่นเองขยินก็สะกิดแขนดารินโดยแรงชี้มือไปยังโคนรูกตำแหน่งหนึ่ง่อนหันขวับมาก็สาวเท้าตรงดิ่งเข้าไปทันทียืนจ้อง จรนาอยู่ห่างประมาณสามสี่ว่าพยายามสะกดกลั้นทนดับกลิ่นเหม็นตรบนั้นอย่างเต็มที่ทั้งหมดที่ตามมาเบื้องหลังก็มาทำตรงตำแหน่งนั้นเห็นพร้อมกันหมดประทิงใหญ่ตัวหนึ่งนอนตะแคงขากลางขึ้นอืดชึดอยู่ตรงตำแหน่งนั้นขาหลังข้างหนึ่งและตำแหน่งสันนอกมีรอยชำแหละกรีดแหวะตัดออกไปด้วยฝีมืออันชำนาญของพรานปา่าชนิดที่เอาเนื้อไปเป็นอาหารอย่างฉาบฉวยพอชั่วมื้อชั่วคราว และพอปิดแค่เสเบียงทั้งล่างกายส่วนทิ้งล่างกายส่วนใหญ่ไว้ซึ่งขณะนี้มีรอยของสัตว์ป่าและแล่งจิกทึ้งเอาไว้เพราะว่าขณะที่พบนี้มีแต่มแมลงวันและหน่อยนอนไายยุบยับสภาพเน่าเปื่อยของซากทําให้ไม่สามารถจะสํารวจรอยกระสุนได้ชัดนัดนอกจากที่แน่ๆก็คือกลางสันหน้าผ่าระหว่างดวงตาทั้งคู่เป็นรูของกระสุนขนาดเล็กเจาะเข้าไปเห็นชัดยังพวกลูกหาบซุบซิบกันแซดไทรละพินยิงกระทิงทิ้งไว้ตรงนี้ตัวนี้ ทั้งตัวตรงนี้คงไม่ใช่นายละพินหรอกที่ลมไอกระทิงใหญ่ตัวนี้ลงอนุชาพูดต่ำๆพยายามสูตรลมหายใจลึกเพื่อให้ชินกับกลิ่นเน่าแล้วแบมือให้พะพวบทุกคนดูอะไรชายยันหลุดปากถามแล้วก็ชะงักไม่เห็นถนัดที่วางอยู่ในมือของอนุชาคือปลอกกระสุนที่เขาเก็บได้สามสี่นัดเป็นปลอกขนาดห้าจุดห้าหกมมซึ่งขณะนี้ถูกน้าฝนและเกลือดินอยู่ปรากฏสนิมจับเขียว ลูกเ1 6เชตดถาอุทานเบาๆรับเอ็มตรงโน้นก็มีปลอกชนิดนี้เดียวกันนี้กระจายเป็นชุดทีเดียวไม่ต่ำกว่า1ิบนัดจาลินหันไปทางที่พี่ชายกลางทีบอกแล้วก้าวพรวดพรว ด, รวดตรงเข้าไปสำรวจพื้นทันทีจิงดังอนุชาวา่าปลอกกระสุน5้าห้าหกมมลนกลืเอนกระจัดกระจายอยู่ในพงวัชระพืชริมทางด่านนั้นแหงจากซากระทินล้มประมาณ29้าเท่านั้น และมีรอยพงไัยเล็กๆหักแหลกเป็นแปลงสังเกตได้จากสายตารอบครอ บ, อบเชียบวัของหล่อนเจศฐาชายัยนและอนุชาเดินตามเข้ามาหล่อนใช้เทา้าเคียบปลอกกระสุนเหล่านั้นออกมากลิ้งให้ดูทุกคนเงียบไปชั่วขณะจิตชนิดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ถูกแล้วพินไปไหนขณะที่พวกนั้นคนใดคนหนึ่งลอ่อกระทิ้งตัวนี้โดยเอ็มสิหกหอนถามขึ้นลอยๆจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลางใจการพบกับกระทิ้งตัวนี้จะต้องเป็นการพบอย่างไม่รู้ตัวและกระทันหันที่สุด งั้นมันผิดวิสัยที่จะใช้ M สิบหยิงและคนที่จะถือ M 1 6ก็เชื่อว่าเป็นแหม่มเพียง2คนเท่านั้นคือคริสและอิซาเบลเราจากหลักฐานที่เราพ ก, กันมาก่อนแล้วนะั้นรู้แน่าชาัดได้ดีว่ามีได้มีการส่งไรเฟิลจุดสห้าแมาให้คณะนี้2กระบอกทางหอและปืนชนิดนี้คนจะใช้ก็คงเป็นพันเอกคีส ก, กับหัวหน้าคณะที่ชื่อด็อร์สแตนลีย์ชัยยันอ่านรูปกรรแต่พวกของราพินก็จะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหรือร่วมอยู่ด้วย ไม่งั้นจะมีรอยชำแหละเนื้อกะทิงออกมาเป็นสเสบียงได้ยังไงแล้วนั่นอะไรประโยคหลังอดีตท่านทูตทหารบกชี้ไปทางพงที่มีรอยกิ่งไม้หักแหลกเป็นแปลงเล็กๆตำแหนที่พบปลอกกระสุน 5.56 มมหล่อนหล่นกราดเกลือนอยู่ใกล้ๆดารินกับอนุชากาเข้ามาตรวจดูอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วดารินก็คว้าซองบุหรี่วินสตันซองหนึ่งอันหล่อนอยู่ในพงลกขึ้นมามีรอยฉีกออกสู่ไปแล้วเป็นสองสาสตัวนอกนั้นยังอยู่เต็มในซองแต่ถูกฝนเปียกยุ่ยไปหมดแล้ว หล่นช่วยทุกคนดูแลโยนไปให้นุชาผู้ยามนี้ต้องถือว่าเป็นนักแกะอลอยและน่าจะอ่านเหตุการณ์ได้ดีกว่าทุกคนในคณะในฐานะที่เป็นพรานเจงใครมาก่อนอดีตพรานชดข้อบุหรี่ซองในมือหลีตาลงคงไม่ใช่บุหรี่ของระพินแน่ใช่ไหมน้อยไม่คิดว่าเขาจะสูบบุหรี่แบบนี้หรอกค่ะแต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ถ้าพวกนั้นแจกเขาก็คงสูบได้เหมือนกันแต่มันผิดธรรมชาติอยู่อย่างว่าถ้าเป็นของระพินทำตกไว้เขาก็คงรู้ตัวและตามมาเก็บคืนไป คงไม่หลงลืมปล่อยให้ตกหายอยู่ตรงนี้เพราะมันจะตื่นเต้นอยู่หรอกสำหรับมือขนาดนั้นลองแวกพงตรงนั้นดูให้ดีสิอาจพบอะไรตกหล่นอยู่อีกช่วยให้พอสันนิษฐานอะไรได้เพิ่มขึ้นพคายันไม่พูดเปล่าลงทุนนั่งเอาปากกระบอก m16 ในมือเขียหาแล้วผิวปากยาวเมื่อพบสร้อยข้อมือแบบใสเล่นๆทองเคขนาด18เคเป็นสายโซ่และตรงแผ่นโลหะเขียนอักษรย่อไว้สองตัวตัวแรกเป็น c ตัวหลังยีอดีตนายทหารปืนใหญ่หค่อยๆหยิบขึ้นมาทันทีพอเช็ดกับคากางเกงสะอาดจ้อยติดข้อมืออันนั้นก็เป็นทองสุกปรังแวววาวขึ้นมาทันทีส่งไปให้เชิดทา้าพี่ชายใหญ่ของธนาหยิบขึ้นมาดูแล้วเล้มปากมองไปรอบๆบริเวณแบบนี้ก็พอจะชัดเจนพอสมควรแล้วว่าจ้อยเส้นนี้ควรจะเป็นของใครซีแทนความหมายคริสติน่ายีตัวหลังคือกรูวิมันแปลว่าคริสติน่า มาล้มกลิ้งอยู่ตรงนี้ขณะที่กระทิงชาร์จเข้ามาแล้วก็จะเป็นเจ้าของกระสุนเอ็มสิกที่เราเห็นปลอกเกลือนอยู่หลาวนี้ด้วยจารินปราดเข้ามาช่วยหมับไปจากมือพี่ชายใหญ่ทันทียกขึ้นพิจารณาคำเหงและก้มดูพื้นอีกครั้งไทยันก็ถามว่าจะเห็นด้วยไหมกับการสันิฐานของเชษฐาลาสกุลสาวยังไม่ตอบทันทีอนุชาแบมือขอรับไปดูบ้างหล่อนยังไม่เต็มใจจะให้นะักแต่แล้วก็หย่อนลงไปในมือของพี่ชายพร้อมกับกระซิบว่า เดี๋ยวต้องคืนให้น้อยนะคะน้อยจะเก็บไว้อดีตพรานชดจับปลายด้านหนึ่งแล้วห้อยลงหาความยาวมันก็ใช่ตามที่เชิดถาบอกนั่นแหละล้อยข้อมือใส่เล่นๆจะหลักอักษรย่ อ, อของนามแรกและนามหลังของแม่มสาวผมทองคนนั้นแน่นอนคงไม่ใช่ของแม่ผมแดงที่ชื่ออิสซาเบลแน่เท่ากับไม่ใช่ของนายอเมริกรันร่วมคณะที่มาด้วยแน่มีรอยถูกขยี้หรือได้รับอันตรายต ร, ยตรงนี้ไหมดูให้ดีอนุชาถามขึ้นลอยลอยเชื่อว่าไม่มีชยันตอบมา ในขณะที่ยังนั่งพยายามค้นหาหลักฐานตรงนั้นง่วนต่อไปมีแต่ลอยหลบลงมานอนกริง่งกระทิงชาร์จมาจากฝั่งโน้นอดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้มือไปเบื้องหน้าพลทิศทางกับซากล้มเน่าอยู่แม่นี่มีอาการล้มกริง่งหกเขมรลงโดยจงใจหรือโดยการฉุดกระชากเพื่อหลบของใครก็ตามแล้วไอ้กระทิงเจ้ากรรมนั้นก็แล่นเลยไปแวบบตัวกลับตรงที่มันล้มอยู่โน่นถ้าคริสตินาได้รับบาดเจ็บก็คงจะไม่หยุดกระทิงตัวนั้นได้ลง ด้วยปืนประจำตัวของหล่อนซึ่งมีรอยยิงติดต่อกันไปอีกและนัดสุดท้ายนั้นเป็นนัดที่จะเรียกได้ว่า finish t o game คือกระทิงล้มลงแล้วแต่ยังไม่ตายสนิทหล่อนจึงปลายเข้าไปจอยิงเข้ากลางหัวตรงบาดแผลที่เราเห็นที่ซากนั่นแล้วเราพินไปไหนจึงปล่อยให้ไม่นี่ซัด ก, กับกระทิงอยู่ตามลำพังจารินถามขึ้นแหบๆทุกคนอึ้งมองไปรอบๆอนุชา ย, ยักไล ถ้าต้นภายเหล่านี้พูดได้มันก็คงจะเล่าให้เราฟังโดยตลอดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรขณะนั้นแต่นี่มันพูดไม่ได้ถามก็ไม่บอกจึงได้แต่ใช้หลักฐานสันนิษฐานเอาว่าอาจเป็นไปได้ไหมที่ละพินเดินตามมาข้างหลัง <Please. S 1> บุกมาเบื้องหน้าตามลำพังอย่างคนถือดีเจอกระทิ่งตัวนี้เข้าพอดีเป็นไปไม่ได้น้องสาวงเสียงหนักๆในลาคอ คนอย่างรพินจะไม่ยอมให้ผู้หญิงในความรับผิดชอบของเขาเดินล้ําหน้าโดดเดียวมาคนเดียวหรอกและเมื่อกระทิงชา้าฉันก็ไม่เชื่อว่าแม่คริสตินานั่นจะไวพอที่จะล้มตัวลงไปกลิ้งรลบอย่ตรงนี้ได้ทันเว้นเซตแต่จะถูกใครกระชากหลกนั่นลุงอินถืออะไรก็ามาให้ดูอีกกมังก่อนร้องเบาๆมื่เห็นหนานอินถืออะไรในมือวิ่งหยอดเข้ามาถึงก็ส่งให้มันเป็นปลอกกระสุนไลเฟิลจุดสามเจ็ดห้า a n h m a x n หนึ่งกระบอก สภาพของมันเก่าแก่พอๆกับปลอกเอ็มเหล่านั้นพร้อมกับบอกว่าพบตกอยู่ ใ, ใกล้ๆกับที่กระทิงล้มนัดหนึ่งแล้วเหนือขึ้นไปตรงไผ่ซุ้มที่ไอกระทิงนอนขากลางอยู่นั่นที่กิ่งไผ่หักพับด้วยกระสุนปืนกลแล้วแกก็ส่งให้เชิดถาผู้รับไปพริกดูพวกนั้นมีใครถือสามเจ็ห้าอยู่บ้างก็บุญคำเกิดเสยจันแล้วก็นายทหารยศพันตรีที่ชื่อเชิดบุ อนุชาบอกตามรายงานที่ได้ทราบมาจากนายอำพลล่วงหน้ามาก่อนแล้วมีปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าแปดอยู่บ้างไหมพบหรือเปล่าตาดินถามโดยเร็วอย่ายามหากันและพบแค่นี้เองนัดเดียวเท่านั้นแถวแถวนี้นานอินตอบถ้างั้นก็แปลว่ามีไรฟิยิงช่วยมาเพียงกระบอกเดียวในขณะนั้นคือจุดสามเจ็ดห้านัดนั้นแต่นัดที่เฉียบขาดดับกระทิงลงคือห้าจุดห้าหกมมจากเอ็มสิบหของคริสติน่าที่เจาะหน้าผา ตำแหน่งปลอกกระสุนห่างกันออกไปแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวกันกันกบที่ยึงคริสติน่าให้ล้มกิ้งลงตรงนี้จนซองบุีในกระเป๋าเสื้อและสร้อยข้อมือคาดตกไว้ผลที่ซัดก็นําลงมาหลังจากนั้นมันกรบล่องรอยอื่นเสียหมดสิน้นทําแม่ผมทองคนนั้นเผชิญหน้ากับกระทิงตัวนี้ตามลําพังและล้มมันลงได้ก็ต้องนับว่าแม่จะปุญคุณนั่นมีฝีมือพอๆกับเราแ ม, ามากับมาเรียทีเดียวอนุชาพึพรรมพำในลําคอแล้วส่งสร้อยข้อมือนั้นไปให้น้องสาวบอกต่อมาว่าเอา้าอยากจะเก็บไว้ก็เก็บ เพื่อจะได้คืนให้เจ้าของเขาพร้อมๆกับปลาเสียที่เธอเก็บไว้ก่อนแล้วตัวนั้นเวลาพบหน้าจารินรับมบาใส่กระเป๋ากางเกงไว้สีหน้าหลอนเต็มไปด้วยความชงโนและกังวลในหลักฐานที่เห็นถึงอย่างไรหลอนก็ไม่ยอมเชื่อว่าริสติน่าจ ะ, ะเผชิญกับพยันตรายตามลําพังแล้วหลักฐานของละพินละ่ะคนแล้วไม่พบเลยในละแวกนั้นหลอนและทุกคนพบแต่หลักฐานสมบัติที่ตกหล่นอยู่ของแม่แหม่มสาวเท่าที่เห็นจากภาพ คนนั้นอย่างเดียวเท่านั้นปัญหาที่ก่อจุดกลางใจก็คือประพินไปอยู่เสี้ยที่ไหนตอนนั้นธนานั่นเองขยินผู้สูตรกลิ่นลาวกับหมาล่าเนื้อและบัตรนี้ได้เดินลึกห่างออกไปก็ตะโกนโวกโกไม่อย่างตื่นเต้นโ ต, นกตกใจนายนายมาดูอะไรกันที่นี่เร็วคุณไว้ตัวเพื่อผันขวามไปทางเสียงนั้นซึ่งยังไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงเฉพาะที่โวกมาเท่านั้นนานอินออกแล่นนําหน้าไปก่อนอนุชาดารินแชา ย, ยันเพนตามหลังติดติดส่วนเชิฐาเยือกเย็นอยู่ตามเดิม เขาไม่ตื่ออะไรนักทำหน้าที่คอยคุ้มกันตอนลูกหาเพืรีบเดินกันไปแล้วทุกคนก็มาถึงที่แคทบผทงะ ห, หลังมันเป็นบริเวณพื้นที่โล่งกว้างกลางวงล้อมของป่าไผ่ซึ่งมีทั้งทางด่านหลายสายพุ่งเข้ามาบรรจบรอบทิศไปหมดสิ่งที่เห็นอันดับแรกคือจ้ากช้างจำนวนนับสิบสิบตัวนอนขึ้นอืดเก ะ, กะอยู่ตามเต็มทั่วบริเวณไปหมดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งแทบสลบยิ่งกว่าซากระถิง ซึ่งพบกันมาแล้วสักเกือบร้อยเท่าเกืจะทําให้ทุกคนทนไม่ไหวถึงกับป้ายแขนขึ้นอุดจมูกไม่มีปัญญาฝูงแร้งนะ้านผันผันที่มองเห็นเมื่อยังอยู่นอกบริเวณลงจิกกินซากช้างที่ตายและเนรแลน้าอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองนอกจากรอยของแรงแล้วก็เป็นรอยของหมาป่าหมาในเป็นฝูงทุกซากตายมาแล้วประมาณเจ็ดถึงแปดวันพระช่วยอะไรกันนี่ภายในจ้างร้องออกมาและหลายคนสำลักท ง, งะตกกลิ่นมูุชาชี้มือให้คณะ พักสังเกตดูกลางบริเวณที่มีร่องรอยของการตั้งแคมป์ข้ามกลางซากช้าเหน่ามากมายที่ถูกปืนถล่มกลาดเกลือ น, นั้นและถามคนสำหรักว่าจะเข้าไปสํารวจ ด, ดูไหมนั่นหลักฐานสําคัญที่สุดแต่กลิ่นมันเหลือทนไทยทนไม่ไหวผมว่าเดินล่วงหน้าไปหลบกลิ่นซะก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นลมตายเราต้องสํารวจ ด, ดูให้ได้เพราะนี่เป็นจุดสําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งที่จะผ่านไปเฉยเฉยไม่ได้เชษฐาตอบอย่างเด็ดเดียวหันไปมองดูชายยันกับดารินเหมือนจะถาม ไม่เป็นไรค่ะน้อยทนได้ประเดี๋ยวก็ชินไปเองฉันก็ทนได้ชยายันกลั้นใจตอบมาอีกคนสแสดงว่าฝ่ายในจ้างทั้งหมดไม่ละความพยายามแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกลิ่นเหม็นอันแทบจะทนไม่ไหวเยธาตะโกนสั่งขยินว่าพาพวกลูกหาบเดิมหลบไปก่อนไปพักที่ไหนก็ได้พอให้พ้นกลิ่นเนี่หลบเหนือลมเข้าไว้เอา้าในชัวนเอาวิทยุคเครื่องนี้ไ ป, ประเดี๋ยวจะได้เรียกหากันได้ถูกว่ารออยู่ตรงไหนไม่ต้องถามกันให้เสียเวลา ว่าแล้วเขาก็ล่วงกับวิทยุมือถือสำรองอีกเครื่องหนึ่งส่งมอบให้ลูกไม่หัวหน้าลูกหาถือติดตัวไปด้วยเปิดสวิตซ์รับฟังไว้พร้อมโดยสั่งไม่ให้ไปยุ่งกับตุ่มอะไรของมันนอกจากอธิบายวิธีกดทีแล้วพูดก็ถูกเรียกถามเท่านั้นหัวหน้าลูกหาพอจะเข้าใจได้ไม่ยากนะระหว่างที่ขยินผู้ปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดต้อนลูกครับให้พระนี้ออกจากบริเวณนั้นไปก่อนทุกคนก็เห็นดารินรก้าวลีกลบซากช้างน่าอ่อนแทบจะนับจํานวนไม่ถ่วน เป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้นเข้าไปภายในบริเวณใจกลางทันทีทุกคนใช้ผ้าขนหนูเล็กๆล็กบรันดีจนเปียกชุ่มผ้าจมูกพอใสกลองกลิ่นอันชวนอาเจียนนั้นไว้มันไม่ช่วยอะไรได้มากนักแต่ก็ยังดีกว่าที่ใช้จมูกเปล่าเปล่าท่ามกลางน้ําเหลืองและเศษเนื้อเน่าที่กระจัดกระจายอันเกิดจากฝูงแร้งและพวกหมาป่าหมาในที่ลากถึงกันออกมามากกราดเกลื่อนขณะนั้นอากาศภายในดงไผ่ร้อนอบอ้าวยิ่งลมภายนอกลมภายในไม่มีเลย อากาศเป็นพิษไปหมดด้วยกลิ่นซากเน่าไม่มีใครอ้าปากพูดโดยไม่จําเป็นนอกจากจะสํารวจบริเวณกันยางรวดเร็วชนิดที่พอจะสํารวจได้เท่านั้นตําแหน่งที่พบว่าเป็นที่ตั้งแคมป์ของคณะรพินอยู่ห่างจากตําแหน่งที่กระทิงถูกยิงล้มเพียงไม่เกินร้อยหลาเท่านั้นยังไม่มีใครทายหรือลงความเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่คณะของรพินจะต้องมาวางแคมป์กันอยู่ตรงนี้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ถ้าจะนับระยะเวลาออก เดินจากป่งน้ำร้อนมาถึงนี้ก็คงเป็นเวลาเพียงแค่เที่ยงหรือบ่ายเท่านั้นยังเหลือเวลาของการเดินทางอีกตั้งหลายชั่วโมงเหตุดใดจึงต้องมาหยุดพักกันที่นี่ก่อนแล้วก็เกิดประทากับช้างโขงถึงขนาดขั้นตะลุมบอลยิงล้มไปเกลื่อนเป็นหมดสภาพของมันบุกโจมตีแคมป์พักแบบเดียวกับที่ธนาของเชษฐาถูกบุกโจมตีเมื่อคือนนี้ที่ป่งน้ำร้อนไม่มีผิดทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยปัญหาและปัญหาจะช่วยคิดรีคลายมองเห็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อ ไปสำรวจสถานที่ตรวจสอบรู้จักหลักฐานเท่าที่จะค้นได้เพื่อการลงความเห็นวินิจฉัยเท่านั้นดารินวราฤทิไม่มีการละย่อดจากภาพและกลิ่นไออันชวนคลื่นเหียนเหล่านั้นเลยหลอนบุกนําหน้าตรงปรีเข้าไปยังบริเวณที่แลเห็นว่าเป็นที่วางแคมป์ก่อนทันทีในขณะที่พี่ชายสองคนเพื่อนและพรานครูนานอินพวกกระจายกันออกตรวจดูตามทิศทางที่ซากช้างจํานวนมากมายนอนอึดถึกมีเนื้อเน่าและเครื่องไง ปลกลากออกมากินอย่างเรียล่าก็กระจายเหล่านั้นมันเป็นการพิสูจน์ชัดอีกครั้งว่าะระเบิดขนาด40มมของอนุชาตชี้ยิงไล่เบิกทางเข้ามาก่อนช่วยขับไล่สัตว์ประเภทกินซากเน่าทั้งหลายให้เพน ก, กระจายกันออกไปหมดสิ้นซะก่อนหน้าที่คนชุดนี้จะเข้ามาถึงหาไม่เช่นนั้นคงจะฝ่าฝูงแรงเข้ามาไม่ไหวแน่เพราะมันกําลังเปิดปาร์ตี้ลงกินซากช้างเน่ากันอยู่อย่างมาโหลานซึ่งแน่ละคงจะยึดเป็นที่พักที่กินกันก่อนหน้านี้นานแล้วเนื่องจาก มาพบอาหารจํานวนมากมายก่ายกองชนิดกินกันเป็นเดือนๆทีเดียวกว่าจะหมดคาลุนไม่ใชลเล่นเหมือนกันในการที่บุกเข้ามาสํารวจโดยใกล้ชิดชนิดเดินผ่านไปตามซากเน่าเฟรที่กําลังส่งกลิ่นเต็มที่เหล่านั้นหากอินอนุชาสํารวจตามซากและทิศทางโดยรอบเชิดขาชายันและดารินตรงเข้ามาที่ตำแหน่งอันมีร่องรอยชัดว่าได้เคยเป็นที่วางแคมป์ไม่ช้ามานานมานี้นะก่อนหลักฐานอื่นใดทั้งสิ้นสิ่งที่ทุกคนก้าวเหยียบผ่านไปก็คือ ปอกกระสุนขานาชนิดที่ตกเกลื่อนบริเวณราวกับสงครามมีท่านปลอกขนาดจุด4 5 8จุด3 7 5ปลอกลูกซองขนาด12และที่มากที่สุดก็คือปลอก M16 รวมแล้วไม่น้อยกว่า4 5 0้นัดกระจายทั่วบริเวณไปหมดมันแสดงถึงการยิงถล่มอย่างขนาดใหญ่ทีเดียวและเป็นการต่อสู้กันยังชุนละมุนโดยโรงช้างเหล่านี้จะต้องบุกเข้ามาประชิด ต, ตัวล้านยางเนื้อถูกเหยียบพังพินาศ ได้ยังไรก็ตามไม่มีศพของมนุษย์ใจปะปนอยู่กับซากช้างตายเหล่านั้นเลยหรือถ้าจะมีบ้างก็แสดงว่าได้มีการจัดนําเครื่อนย้ายไปฝังเที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วสภาพของการสู้รบระหว่างกองทัพช้างกับฝ่ายมนุษย์เท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้ยากเหลือเกินที่จะเชื่อได้ว่าฝ่ายมนุษย์ทั้ง20คนที่ล่วงหน้ามาก่อนจะไม่มีใครได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตบ้างเลย